เดี๋ยวแข่งเข้ามาไปเทน้ำก่อนนะเทน้ำก่อนแขงกันไปที้าเลยไปที่หน้าท่หน้าถึงจะทิ้ง้วยเน่ยโทษไม่เอาถ้วยมาถ้วยอะไรอย่างเนี่ยชาเขียวถ้วย ได้นะอด้เลยถ้าอาจารย์ครับประวัติได้อาจารย์มั่นคุณเฉลียวคุณบาวนาสักมาสลายของตั้งค่ะเขาขึ้นมาทีใหม่ในคราวที่ได้หับความรัขกข้บกพร่อง การปวดหลังดีขึ้นไหมครับดยขึ้นัามันแบบมันจะหายนี้ยแต่ยังมันยังมีขัดขับบ้างเวลากค้งอย่างทำไงแต่ก็ดีกว่ากเบสาเยอะที่ว่ารักษาถูกวคธอมีคนก็มาจับโครงรหบ ความจริงลูกเจ็บหลังนี่มันเป็นมาตั้ง20ปีละเพียงแว่ามันไม่ได้รู้แรงพอมันมื่อยมันเมื่อยหลังมันก็นอนพักสักชั่โมงหนมืนก็หายแต่พอลุกมาทำอะไรมันนั่งมาเดินมายืนมาทําอะไรสักสี่ห้าชั่โมงมันรู้สึกมึ่ยหลังก็ขับลงไปนอนใหม่ก็เลยก็พอก็พอหยู่ด้านมาเรื่อ แต่ก็ไม่ได้รักษาแล้วก็ไปลองหมอหลายหลาหลายแบบแต่ก็ไม่ไม่ถูกโรคทีหมอทัวก็เคยจัให้ก็จับแต่คนนี้เขาจับไม่ถึงเขาบีดไปแบบผ่านๆไปอย่นะไม่ไม่ไม่โดนไปเส้นมันอยู่ลึกข้างในเลยจับไม่ถึงก็ไปให้เขาจับลุงหลายครั้ ง, งก็ไม่มีอาการที่ดีขึ้น ตอนนั้นก็เลยที่ว่ารักษาแบบนี้เมื่อกันนอนจนอยนึงเป็นเหตุที่ไม่ค่อยอยากจะเดินทางไปไหแต่ก็ไม่ใช่เป็นเหตุหลอกเหตุหลักก็คืออาตมาตั้าแต่บวชมาก็ไม่เคยคิดอยากจะไปไหนเพราะแต่เริ่มปฏิบัติมาแล้วมันกายมันมังจะค้า ง, งมันรู้ว่าข้าเรายมันมีอะไรแล้วนะโลกเราก็เคยไปมารอบหนะึ่งแล้ว ออกเดินทางเม่ไหร่ยาไปต่างประเทศไปศึกษาอยู่ที่ทางรับอยู่5้าปีขาขัดตัวแวะตัวเองอยู่แาวยุโรปอยู่ประมาณเดือนกว่ามีเต้ยอยู่ใบ้าง <c oughs> แล้วก็อาศัยนอนในรถไฟเปส่วหญคือซื้อตัว๋วตัวรถไฟตัวเดือนสามารถเดินทางได้ตลอดทุกประเทศในยุโรป แล้วก็สายจากเมืองนี้ไปเมืองนี้แล้วก็รถไคมันจะออกตอนเย็นก็นอนในรไปประหยัดค่าคารงแรงไปคืน <c oughs> เช้าก็ไปถึีเมืองก็ก็ไปตะแวนอะไร ด, ดนุ่งด น, น, น, น, นี่แล้วก็หาที่พักที่พักก็เป็นโรงแรมโรงแรมแบบทก CA, <c oughs> วัย M C ก็เลยยูทอสเอประมาณนี้นก็คืนะหวนค วันนั้นมีนักเสือเล่มหนึ่งก็บอกว่าเดินทางมายุโรปด้วยราคาวันละห้าเหรียญยุโรปฝ่ายเยอรมัเดแล้วก็ดูเป็นใจไว้เขาก็จะบอกโรงแรมถูกๆร้านอาหารถูกๆอยู่แลวก็จะมีแผนที่ของเมือนต่างๆที่เราไปในสถานที่ที่จะไปชมบรรยากาศก็จะไปชมพิพิธภัณฑ์เพราะไม่ต้องเสียค่าตัง ด้วยนั้นก็ไปไปเที่ยวโรงเบียโรงเบียเขาจะมีแจกดบียให้ดื่มแล้วก็มีขนมให้รับประทานที่ไหนมีของปีก็ไป <c oughs> <c oughs> ที่ไหเที่ยวแบบเที่ยวแบบฟิลไปด้ยพยายามประหยัดเงินเยอะเลยตัวระเบิยก็ถูกเดินจากแคลฟิฟอร์เนียมายุโรปแค่แค่ร้อยร้อยหกสิบเอเป็นแค่ขั้น บ, บินเหมาลำของนักเรียนเขาจัดกัน แล้วเดินมาหาอะไรก็เขาจัดกันแล้วก็ขายเอาไปขายตามมาหาทีทอะไรถ้าเครื่งราคาปกติมันก็ต้องหลายสองเท่าสองเท่าสามร้อยกว่าเหรียญถือว่าเลยแล้วอีกใบหนึ่งจากยุโรปมากรุงเทพก็ก็ร้อยกว่าเหรียญเหมือนกันจากเครื่องบินมันเป็นเครื่องยินเล็กแบบเครื่องลเครื่องละต้นสองสองสองเครื่องยน ทุกสี่ขึ้มงต้องจอดเัิ น, น้ำมัน <c oughs> แล้วมันไปเสียด้วยขนามเย็น <c oughs> อาจจะมาออกจากการแสดงตอนตีสี่ขึ้นเครื่องแล้วเครื่องข้าบินขึ้นไปที่ประเทศที่เดนมาร์กหรือซีเรีไม่แน่ใจไปรับคนต่อแล้วเครื่องไระสียที่นั่นกว่าจะออกได้ต้องสองทุ่มเราก็นั่งรออยู่ที่สนามบินนั่นแหละเป็นสองทุ่ม พอสองทุ่มแล้วเครื่องก็ออกแล้วก็บินมาแวะจากจากจากเดนมาร์กมาแวะที่อิสตันบูลเติมน้มันมาจากอิสตันบูลก็มาว่าเทลาทรเทลาร น, นี่ก็เริ่มเริ่มตอนอิสตันบูลเนี้ยมันตีสองกว่าเพราะพอเทราร น, นี่มันสว่างเนี้ยแล้วก็มาที่จากเทลานกํา็มาที่นิเจอต์ปาติสานเ อ, นอ แต่ปากปายทีสานั้นก็เริ่มบ่ายละเริ่มกลางวันแล้วมาแล้วก็มาที่อินเดียที่กาลัต้ากาลัาตาก็เย็นละพาธิตจะเริ่มตกละนีวันที่สองแล้วนะ <c oughs> นี้เะ อ, ออกวันพุกเชา้า <c oughs> วันพรรหัสนะยังไม่ถึงดอนเมืย <c oughs> <c oughs> ถึงดอนเมืองประมาณสองยางสองยางสองยางแล้วก็จะเที่ยงก้าผ่านเอ ศุกลกากนอะไรได้ก็ตีสองตีสองแล้วก็นอนอยู่ที่สนามยืนจนเราเป็นหกโมงช้าแล้วก็บอกแ็กซือครอบเรัว ไ, ไปปลุกเพื่อนแล้วก็ชวนเพื่อนอยไปกินข้างเช้ากันที่โรงแรมเสร็จแล้วก็เขาก็มาส่งขึ้น่องเล่นมาพัทยาบ้านอนู่พัทยามาถึงพัทยาก็ประมาณบ่ายเที่ยงเที่ยงบ่ายเดินทางโอ้โหสองวันสอ ง, งวันเต็มๆตกว่าจะถึง เราเดินทางแบบแบบก็ถือว่าประหยัดที่สุดแล้วก็ไม่ได้บอกใครี่มีการไปรักไม่ไใช่เยลยกลับมาตอนท่านจะไปบรนตาละคนะท่านกันไปก็การเดียวกันน่ะไปคือตอนต้นไ ป, <c oughs> ไปบวชที่อยู่ที่วัดสว น, น <c oughs> แล้วก็ได้พบกับพระฝู้หลังที่เขา <c oughs> เขาเขารูา้จักวัดต่างๆของครูบาอาจารย์ ก็พอดีมีรูปหนึ่งเครื่องกลมาจากวสันต์ต่างๆมาไปอยู่ได้ไประมาณชั่กนระติบเงี้ยนแล้วก็บอกเขาจะกลับมาเพื่อมาทําอะไรเราจะกลับไปอยู่นานทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าจะขึ้นไปทุกฝรั่งเขาต้องทําเขียนหนังสือก็ไปขออนุญาตจากท่านปัญญาสังท่านปัญญาก็จะได้ประกาศเรียนท่านอาจารย์ที่ขออนุญา ต, าออญาตสำหรับชาติต่างประเทศ ที่อาตมาไม่ทาบว่าคนไทยทำยังไงเราก็ทําแบบชาวต่างประเทศก็เขียนจดหมายไปหาท่านเป็นอย่างเป็นภาษาอัง <c oughs> กฤษน้า <c oughs> ก็ไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนไทย <laughs> เราเราชื่อพิชา <c oughs> <c oughs> ตัวพิขุท่านก็ไม่ทราเป็นไทยหรือเป็นเทศหรือเป็นอะไรแท่านก็ไปกราบเรียนท่านอาจารย์เหมือนกันกท่านก็ตอบจดหมายกลับมาบอกว่าท่านอาจารย์อนุญาตให้ขึ้นไปอยู่ได้ ขึ้นใจได้ขึ้นใจไก็ไอตาต ม, มาไปถึงเช้าก็โนการล้วก็ลงมางตามปกติาาที่ศาลาเพราะตอนนั้นนั่งรถไฟเย็นจากกรุงเทพไฟก็ถึงที่อุดรตอนเช้ามืาดแล้วที่อุดรก็มีรถที่รูจากกับที่วัดเขาก็มารับพามาพอมาถึงพระท่านก็เพิ่งลงมาจากลงมาที่ศาลามามากว่ามาถึงเมื่อเตียนตัวอาตมา พอดีท่านอาจาก็ลงมาอธิมาพระประกาบท่านท่านก็เดินหนีท่านยืนคุยกับใครอยู่นีครับท่านเดินหนีแล้วก็เดินตามไปกาบไม่บอกว่ามาอย่างรวัดบัวครับท่านบอกว่ากุฏิไม่ว่านะอยู่แค่ชั่วคราวแต่วะครับก็เดินหนีได้ท่าก็าแดีทอกท่านเชอรรีท่านเชอรรบอก่าที่เตียมตัวไปบินสบาย ไปบินกระบะบินกระบาน่าตาแล้วไม่ทราแล้วเขาวิ่งกันรักษาเร็วเร็วเร็วมากแล้วเราขห้นเรือเราขึ้นเรืได้ประมาณัก6อาทิตย์นะแล้วก็กรุงเทพฯบาดนั่ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แล้วไม่ต้องเดินเร็วมันเดินสบายๆที่ไปวันแรกเราไม่รู้ทาลบบาแเราก็ถูกไม่ค่อน เวลาขาสั่มานี่บาทเต็นได้เข้าวเหนียวพระก็วิ่งยังไอเราก็วิ่งต่างเขาไม่สันแล้วไอ้ถ้าบลอกบานมันก็จะหลุดบาตก็จะหลุดพีวาก็จะหลุดอ๋อไถึงศาลาพาท่านนั่งกันนะเรายังคงคงเดินขึ้นไปเมื่อไ กต็มที่เลย ม, มองการพูดตามองท่านคงมองแต่ท่านก็คงเจนรู้ว่าภาพใหม่นี้วัดที่ไหนก็เป็นย่งนี้นี่มันมันตอบไป็นเราบอกไม่ได้แล้วต้องปรับตัวแล้วถ้าจะอยู่ครั้งนี้เราต้องต้องทันเขา <c oughs> แล้วก็เจ็ดเท้าด้วยเพราะว่ามันเป็นลูกหลังเ <c oughs> หมือนกันก็พยายามก็ก็ก็อยู่ได้ก็ เมื่ออยู่ที่นั่นกับท่านก็ท่านก็เราก็สแบบสดงการไม่ค่อยไม่ค่อยรูาา้ปฏิปทาธารเมียของพระเท่าไหรครูบาอาจารย์นี้ต้องมีความเคารพท่านมากบางทีเราก็เคารพแต่เราไม่ได้แบบเคารพแบบพระท่านคืที่นั่นเรพราะเคารพเพราะเกรงด้วยเพราะเกรงเพราะกลัวตอนนั้นเรายังไม่เคยดอน ล, ลูกหนักก็เ <laughs> ้ยไม่ค่อยกลัวอะไรท่าน บางทีท่านใช้ให้เอานี่ไปเช่นท่านวันหนึงท่านมีกล้วยเนอะเขาบอเอาเอาอันนี้ไปไว้ที่ร้านร้านที่ท่านจะติดท่านแลเราก็ไม่รู้แล้วเราก็ถดอนิสายติดข้าหลังมาเนะท่านไม่รู้ก็ถานแล้วอยู่ที่ไหนครับ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่า ไ, ไ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่ นี่ดีกว่าแล้วอีกครั้งหนึ่งท่านก็นมาเห็นเราท่านก็นมาสั่งบอกว่าให้ใจบอกพระว่าเาย็นนี้จะประชุมอะไรเนี่ยไม่ทราบสั่งอะไรทําไม่ได้แล้วแล้วพอดีท่านพูดมันกอยดังเราฟังไม่ดีเลยแล้วก็ถามว่าเมื่อกี้ท่านพูดอะไรท่านตะคอกใส่เลยทอย่างงี้ครับเล่ <laughs> ามาเลยน่าานะฮ่วย ไม่เอาแล้วไม่กล้าแล้วเห็นท่านเมื่อก่อนนี้ไม่เข้าใจทําไมเวลาท่านมานี่ผ้าเปื้อนหนมดกานไี่มีทุลาได้อยู่เปื้อนกันหมดเลยตอนหลังเห็นผ้าเปิดแล้วเราเปิดไปเพราด็ปกติเวลาท่านมาฉันน้ำน้อยเนี่ยท่านจะไม่ให้นั่งแช่งท่านให้ฉันเสร็แล้วก็ไปไม่ให้มานั่งคุยกัน คั้งแากท่านมาเห็นเ็าไม่เป็นไรแต่ถ้าครั้งที่สองประมาณคั้งที่สิบนาทีท่านกลับมาเห็นท่าเห็นเด็กโ้โดนไล่มาทาอะไรไม่ทําะัรไม่เปภาวนาอะไ ร, ก, รกันกาจงีนีพอพอรู้แล้วพอท่ามาครังก็ูมันต้องไม่ให้ท่านเห็นครั้งที่สองน <c oughs> ี่อ่วนกูเคยเห็ น, อหนตอนก่อนท่านน้อย ท่านป็นอยู่ข้างทางคืออยู่กับลูกเลยนะคะแล้วท่านถือกระป๋องกระป๋ที่ลงตามาท่านปากระป๋งป๋อตกใจว่าจะนอนตายทำมโอ้โหในตุ๊กตันเ้าก็กรธันกับพระมากท่านไม่ต้องการใ้พระเสริาจากเรื่องเรื่องกิเลน่ะส่วนใหญ่เราก็มักจะติดเรื่องกิเลกกันเรื่องขบเรื่องกันเรื่องคุยกันอะไรนี มันไม่ทําให้เกิดประโยชน์การพยายามที่จะไล่เราเข้าทางจงกรมให้เราขับไปภาวนานอยู่ตลอดเวลาที่ใหม่ๆก็ไม่รู้แต่ตอ น, นังที่กลัวท่านก็กลัวเพราะว่าไม่อยากจะแสดงความโง่ออกมาถ้า <c oughs> ท่านว่าครับอะไรครั้งแรกแล้วครั้งที่จะไม่ให้พยายามมีครั้งที่สองพยายามจำอะไรเลยว่าวท่านว่ายัางไงเลยเพราะท่านสอนด้วยความตื่นใจ แล้วก็สิ่งที่ท่ทานสอนก็มีคุณค่านี่แต่พวกเราแบบว่าเราไม่เคยเห็นความสำคัขญของเรื่อเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เราก็เลยปล่อยมันไปตามซึ่งมันเป็นรอยรอยร่วมันเป็นเป็นเหตุที่ทําให้เราไม่ค่อยเจริญกันเพสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยรรเรามาต้องวางกันนี้การได้ตัวอย่างูบาอาารย์เป็นมีอครื่องประโยะ่างมาก ในสมัยแรกๆตอนที่อาตมาปฏิบัติอยู่คนเดียวตอนที่เป็นคาราวาหนะการนี้การนี้เคยคิดอยากกจงหัวเลยการยังคิดว่านถ้าเราเป็นลูกคนรวยหรือมีเราเป็นมีเงินก้กอนหนึ่งี้แล้วเราไม่ต้องหัวได้เนี่ยเราจะไม่เหมียเราจะอยู่ถึงาราวาแล้วเราปฏิบัติของเราไปแต่พอดีอาตมาตั้งเวลาไว้ว่าจะปฏิบัติอยู่ปีหนึ่งแ้วเงินก็มีและพอใชส้สำหรับปีหนึ่งก็ดี พอหมดปีไปแล้วก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะทำยังไงเพราะว่ารื่องที่จะเลี้ยงป่าเลี้ยงทองมันหมดผลก็มีอยู่สองทางเลือกก็คือทาไปทำงานหรหาเงินหาทองแล้วก็ปฏิบัติเท่าที่จะมีเวลาอํานวยนหรือบวชบวชก็ไม่ต้องคำนวนเรื่องไปทำงานถ้าไปทำงานเวลาที่จะมาปฏิบัติมันก็มีเหลือน้อย จะทํา ง, งานันลา8ชั่วโมงแล้วเดินทางไปกลับเลยก็อย่างน้อยก็10ชั่วโมงแล้วกว่าจะกลับมาถึงบ้านมันก็เหนื่นอยนะเวล า, าที่จะปฏิบัตินี่เลยที่ว่ามันไม่พอเพีงเพราะตามที่อราตั้มาปฏิบัติหยุดปีนก็ปฏิบัติอยุดทั้งวันทั้งคืนนะก็เลยมีทางเดียวก็คือต้องไปด่วดทั้ง น, นอเองอะไรที่ว่าคงจะต้องไปห่วน ด, ดู แต่ใจใจเล็กๆก็แค่ได้งานะถ้ามีสียตังเราคงไม่ตนะ้งได่วนเรก็อยู่ของเราไปาเรื่อยๆแต่ตอนหลังหลังที่ได้ด่วนได้ไประูยกับครูบาอาจารย์นะถงจะเห็นคุณค่าว่าถ้าเรามีเงินมันกลับเป็นโทษเราอยู่ของเราไปเนี้ยเราจะไม่มีความเครื่งงวดกดขันกับเราเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษเราอาจจะรู้หลักใหญ่ๆกว้างๆว่าต้องภาวนาะต้องรักษาใจ แต่เวลาที่เราทะเลทลายไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปทาเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะไม่รู้ก็จะไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์คือการปฏิบัติมันจะไม่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วลองเวลาได้ไปอยู่กับพวกที่ปฏิบัติด้วยกันรเราจะเห็นอุบายวิธีต่างๆเช่นการอดอาหารนี้ก็ไม่เคยไม่เคยไม่เคยปฏิบัติมาก่อนตอนนี้คิดว่าฉันมือเดียวนี้ก็คืดว่าเต็มที่แล้ว แพอไปอยู่ที่ต่างๆแล้วเห็นภาคต่านกอดอาหารกันทีละรายวันมันก็เลยทําให้เรามีความมุ่ ม, มานะที่อยากจะลองดูบ้างแลาวก็โชคดีที่เวลาอดอาหารมันก็ถูกริคือมันมันเป็นเครื่องกระตุ้นให้เราต้องภาวนาเพราะว่าเวลาอดอาหารนี่มั น, มนมหิวข้าวแล้วถ้าเราอยู่ที่เฉยนี่มันจะปรุงคิดเแทนเรื่องอาหารมากน่าจะทุกข์ทรมาร เราต้องรีบหาวิธีดับมันเพื่อต้องทอนาตอนนั้นยืนอยู่ในช่วงทำสมาธิจะพยายามนั่งกาหนดจิตให้สงบพอจิตสงบแล้วมันก็หยุดคิดปรุงความหิวที่เกิดจากการทอนความความหิวที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งมันก็หายไปก็เลยเห็นว่าโอ้ความหิวส่วนใหญ่นี่มันอยู่ที่จิตเราแท้ๆจิตเราเวลาคิดเก่งอาหารยล้วมัน มันทรมานจิตใจว่าบางทีทั้งทั้งที่รับประทานอาหารเสร็จไปแล้วมันถ้าลองไปคิดถึงอาหารอยากจะรับประทานขึ้นมาอีกมันก็มันก็เกิดความวหิวขึ้นมาอีกอย่างนี้ครับ ท, ทั้งท้งที่ร่างกายก็รับอาหารเข้าไปเ็งที่อยู่แล้วจึงเห็นเห็นคุณค่าของการเอา อ, อาหารก็ได้ อ, อ, อาหารต่ตลอดแต่ทั้งทั้งจิตนั้น เข้าร่องเข้ารอยพอที่ว่าไม่ต้องทรมานอากใช้การอดหารก็ถึงว่าถึงว่าถึงว่าหยุดทีหลังแต่การอดหานี่มันทำให้เราไม่ที่เกียดเพราะว่ามันต้องภาวนานั่งภาวนาแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินจนกลมหลับกันไปเวลาจิตสงบแล้วมันสบายความหิวมันก็มีเพียงเลดกน้อยที่เกิดจากความอ่อนเพลียของร่างกายท่านั้นเอ ง, เอง จากความหิวที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งของจิตนี้มันจะไม่มีความหิวทางจิตนี่มันทรามามนมันแรงมากกว่าควา ม, มหิวทางร่างกายเพราะจึองอาศัยการการอดอาหารนี่เป็นเครื่องช่วยพานอีกอย่างนี้เวลาไม่เวลาอดอาหารก็มไม่ต้องไปเจอหลองตาเพราเวลาเจอหลองตานี่เหมือนเจอเสียหมือมันมต้องตั้งมันต้องระมัดระวังมันต้องอะไร ของมันมีตลอดเวลามันไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เวลาอดอาหารไม่ต้องออกไปเจอกับใครท่านอนุ ญ, ญาตให้อยู่ที่พักของเราทำทำธวสิทิ์แต่เฉพาะบริเวณที่พักเราแต่กว่าเฉพาะที่พักเราทำเองไม่ต้องมาร่วมทางสิทธของสวง่วนรวมเี่นไปบินตำบาทมากวบถึงศาลากวบลานวัดส่วนใหญ่อะไนี้ด้วยเป็นเข่ง น, นามขวบ น, น้ำไปาสายทางศิลปต่างๆ งานหลนี้ท่านก็อนุญาตให้ให้ยกเลงไปท่านให้ใหโอก า, าสได้ภาวนาให้อยู่วิเวกอยู่เต็มที่ไม่ต้องไปเจอกันท่านเวลาพระอบรมนิทันมักจะไม่ค่อยเจอหน้าใครเท่าไรท่านจะหลบเียบตัวอยู่ที่พระคำนั่นงภาวนานํน า, นาสมาธิเงนนียบจงกรมเลิกพิจารณาทางหรือแค่แต่ภาวะจิตของท่านว่าจะอยู่ในระดับไหนการอบหานี้น การภาวนาช่วยการภาวนาได้อยู่ทำให้จิตกระเริ่ก้าวหน้าแล้วก็อาศัยการได้ยินได้ฟังธรรมะของท่านอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นการเตือนสติให้เรารู้ว่าทางที่เราจะต้องไปนั้นไปทางไหนเพระเวลาเราปฏิบัติไปนี้จิตมันจะติดไปตามจุดต่าง ๆ, ๆเวลาได้สมาธิมันก็จะติดในสมาธิเวลาภาวนาที่เราก็จะพาวนาให้สำเร็จ พอสงบเร่งแล้วก็ไม่ไม่ไมก็มีความสุขพอจิตถอนออกมาก็ <_ d ata> ไม่ได้ไปพิจารณาธรรมะต่อก็ไปทําเรื่องไปทำอะไรอย่างอื่นก็เก่าแก่ไปพอพอพอจิตเริ่มออมีความพุ่งสร้างขึ้นมาก็กลับไปทําสมาธิอีกแต่ไม่ค่อยได้จเจริญปัญญาเท่าไหร่ทั้ท ง, ทงเท่ายต้องต้องเตือนสติว่าเนี่ยเวลาปฏิบัติมาก็าได้สมาธิแล้ว เวลาออกจากสมาธิควรจะไปทางสัญญาควรจะพิจารณาตั้งแต่ร่างกายขึ้นไปเอาร่างกายนี้เป็นที่ตั้งเป็นเป้าหมายก่องพิจารณาให้เห็นถึงความไม่สวยงามอสุภะหรือความเป็นจตุคูณของร่างกายร่างกายนอกจากอาการทั้งห้าที่อยู่ข้างนอกคือผมโกนเล็บปันหนังแล้วยังมีอาการที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้คือ ตาถึงหนันก็มีเนื้ อ, ม, อมีเอ็นมีกระดูกมีอวัยวะต่างๆให้เขาไปดูดูด้วยปัญญาคือตาตาของเราตาเนื้อนี่มองมองทะลุหนังเข้าไปไม่ได้แต่ปัญญานี่มันทะลุเข้าไปได้พราะเราสามารถกําหนดพิจารณาจินตนาการภาพที่เราไปเห็นของอวัยวะต่างๆในร่างกายาะมีหนังสือที่เป็นหนังสือที่ละแอน ถ้าศึกษาใก้เขาศึกษากันก็เปิดดูได้มีอาการ32อาการหรืบางทีก็ไปดูที่เขาผ่าศพตามโรงพยาบาลถ้าอยากจะเห็นของจริงว่าเป็นยังไงเพาว่าจะดูก็มันจะได้มีสัญญาอหรือความจำว่าในรูปร่างลักษณะต่างๆที่ภายใต้ึงอหนังของเราเป็นยางไง แล้วพยายามคิดนามนามันไปเรื่อยๆให้มันเกิดจำขึ้นมาการจิตในใจเวลาเกิดมีเรัาความยินดีความกำหนิดยินดีจะได้อาศัยความงดสวยงามของร่างกายที่เราเคยคิดนาอยู่นี้มาคอยจะกลับกัน้นคอยคาจับมาได้ซึ่งอยู่กับว่าเราสามารถที่จ ะ, จะเจริญให้มันมีติดตาติดใจเราไปได้มากน้อยเป็นไร ถ้าเราสามารถจะเอานพิจารณาจนกระทั่งหลับตาก็เห็นไม่ลืมตาก็เห็นเหมือนกับมีความชำนาเหมือนกับการอ่านหนังสือในต้ น, ต น, ต น, ตนเราก็ต้องมาหัดท่องกอไก่ขอขายต่อนล้วก็มามาหัดสะกดคาต่อไปแต่เวลาเราเห็นตัวหนังสือปั๊บเนี่เราไม่ต้องไม่ต้องมาท่องกอไก่ขอขายไม่ต้องมาสะกดคําเพราะว่าเราเห็นปั๊บเราก็อ่านได้เลยยังไง อาการอสุภะอาการสถิคูณของอางการนี้ก็เป็นแบบเดียวกันถ้าเราไม่พิจารณาอยู่เรื่อยๆมันจะยังเป็นมันคล้ายๆว่าเป็นสัญญาคือจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างมันไม่อยู่ติดกับเราไปตลอดถ้าเราพิจารณาจนกระทั่งมันอยู่ติดกับใจเราไปตลอดมันก็จะกลายเป็นปัญญาเวลาที่มีความกำเนิดยินดีมันก็จะมีปัญญามาคอยสกัด มาปะสู้มาลบล้างความเห็นที่ว่าแค่สวยว่างามว่ามันว่ามีส่วนที่ไม่สวยไม่งามด้วยในคนคนเดียวครับคนเราก็เป็นเหมือนกับเหรียญสองด้านมีทั้งหัวมีทั้งก้อยถ้าเรามองแต่หัวด้านเดียวเราก็จะไม่เห็นอีกด้านเราก็ต้องพลิกอีกด้านขึ้นมาดูต่อจะได้รู้ว่าเหรียญนี้มันมีทั้งสองสองด้าน ในคนเราก็เช่นเดียวกันคนเหล่านี้ก็มีทั้งสองด้านด้านที่ว่าสวยงามก็มีด้านที่ไม่สวยงามก็มีแต่ส่วนใหญ่เราจะมองแต่ด้านที่สวยงามอยู่ตลอดเวลาด้านที่ไม่สวยงาม น, นี่เรามักจะถูกกิเลสคอยคอยคอยคอยสกัดคอยตั้นไม่ให้เรามองทั้งเวลาเราจะพิจารณานี้เราจะรู้สึกใจอิดใเอียงไม่ไม่ค่อยมีความสุขกับการ ทุกนความไม่สวยไม่งามต่างๆของร่างกายเราสักเท่าไหร่ยินทางไม่เคยได้<ม>ยินได้ฟังแนวทางของการปฏิบัติอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องวิกลจริตใส่ได้ไทมทำไมจะต้องไปดูอาการต่างๆเหล่านั้นเพื่งไปดูซากศพไปดูข้อผ่าศพไปดูธรรมะยัอ า, าจจะคิดว่าเป็นพวกพวกวิกลจริตแต่ถ้าเราได้ทุกษา ได้อ่านพระธรรมคาสอนของพรทธเาเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัตินี้เช่นในในสติปัฏฐานสือ่อท่านก็ ส, สอนให้พิจารณาพิจารณาร่างกายอาการา ส, าาสัตว์สองพิจารณาสร้าศึกสด็ชนิด้วยกันให้รู้ว่านี่คือสภาพของร่างกายร่างกายของคนเรามีทั้งส่วนส่วนที่เป็นและส่วนที่ตายคือตทตงนี้เป็นกันอยู่มันก็มีรูปร่างลักษณะของมันอยู่อย่างนี้ เราไปเมื่อมันตายไปแล้วมันก็ต้องมีรูปร่างลักษณะอยู่ยนี้เราต้องการดูความจริงของร่างกายเราไม่ได้มีความคิดวิกลจริตอย่างไรแต่เราต้องการที่จะสอนจิตให้ไม่ให้หลงอยู่กับร่างกายเพราะความหลงกับร่างกายนี้เป็นเหตุของความทุกข์เวลาที่ร่างกายเปลี่ยนสภาพไป เร่องตอนที่เราเป็นหนุ่เป็นสาวเราก็มีความหลงเรื่องกับความหนุ่ความสาวของเราเร่างกายเราเริ่มมีอายุมากขึ้นแก่ชราลงผิวยริ่มเ่มเริ่มหย่อนเรื่องเรื่องผิวมีรอยย่นต่างๆถ้าไม่เคยศึกษาทำหน้ามาก่อนแล้วมีความหลงหยึดติดกับความสวยความงามของรูปร่างหน้าตาก็จะเกิดความหวน เกิความยึดติเกิดความเสียดายอะไรต่างๆถ้ามีวิธียาดที่จะทำที่จะรักษาให้ยังสวยอย่างดูดีเหมือนเดิม <c oughs> ก็จะพก็พยายาม <c oughs> จะทํากันเช่นเดียกับที่เขาทำในทุกวันนี้แต่ไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งมันก็ต้องมีความทิ้งกันไม่ได้ถ้าเราได้ศึกษาธรรมะแล้วเรารู้ไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วเราเปลี่ยนตัวเตรียนใจรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น มันก็เท่ากับว่าเรามีปัญญามีภุมิมุ่มกันเวลาเหมือนถึงเวลานะั้นเราก็จะรู้สึกเฉื่อยเพราะเราได้พิจารณาได้ก่อนแนละ้วว่าผมของเราสักวันหนึ่งมันก็ต้องกลายเป็นสีขาวผมมันก็ต้องร่วงลงมาหนามมันก็ต้องเหี่ยวมันก็ต้องย่นไปตามเวลาของมันสุขภาพร่างกายมันก็จะมีโรคภัยเหลืเเกยนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งเราก็ต้องนอนอยู่ในโรงย เขาว่าเอาไปเข้าไปลงเตาเผาเหลืออยู่แต่เศษกระดู่แล้วก็ทิ้เท้าที่เขาเอาไปเก็บไว้ตามสถานที่ตา่างๆหรือเอาไปลอยังคานไปลอยในน้าําในทะเลนี่คือสภาพของร่างกายที่เราควรจ ะ, จะเจริญปัญญาควรจพิจารณาเพราะมันเป็นปัญญามเป็นความรู้ที่จะช่วยกจาจัดความหลงความยึดติดอยู่กับร่างกาย ว่าจะอยู่กับเราไปตลอดคนอย่านั้นมีความรู้สึกนี้อยู่เสมอว่าอยากจะให้ร่างกายอยู่กับเราไปตลอดอยากจะมีชีวิตในานานๆไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บข่อยากป่วยแต่มันเป็นความความคิดผิดมันเป็นมิจฉาทิพย์คือมันไม่ตรงกับความเป็นจริงนั้นเองถ้าเรามีความคิดอย่างนั้นเมื่อเกิดไปเจอกับสภาพความเป็นจริงที่มันตรงข้าง เราก็จะต้องเสีย อ, อกเสียใจเพราะเราไม่ได้เปรียมใจรับกับสภาพนั้นเลยเราหลอกตัวเราเองว่าเราจะไม่แก่เราจะไม่เจ็บเราจะไม่ตายพอถึงเวลาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องมีความว้าวุ่นหงัวหงิดมีความทุกข์มีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งดังนั้นการเจริญปัญญานี้จ็นเป็นธรรมะที่สำคัญยิ่งกว่าสมาธิเพราะสมาธินี้ ไม่สามารถกําจัดความทุกข์ที่เกิดจากความโหยงได้เพียงแต่เพียงแต่ทําให้มันหยุดทํา ง, งานได้เป็นระยะๆเะะช่นเวลาเราเข้าสู่สมาธิจิตก็ไม่สามารถลึกซึงเรื่องราวต่างๆได้ในขณะนั้นความโยกความโกรธความโหยงก็ไม่สามารถทํางานได้จิตก็อยู่ในความสงบก็มีความสุขและพอถอนออกมาแล้ว มาเห็นร่างกายของเราที่จะต้องแก่ไปเรื่อยๆมาเห็นอาการเจ็บไข้รายปวดของร่างกายของเราถ้าไม่มีปัญญามันก็จะเกิดความอยากให้หายอยากให้กลับเป็นเหมือนเดิมอีกที่มีความอยากมากเท่าไหร่ก็จะมีความความทุกข์มากขึ้นเท่านั้นเพราะว่ามันไม่สามารถกลับไปเป็นไปเหมือนกับที่เคยเป็นอยู่ได้เพราะร่างกายนี้มันเป็นรถถ้าเป็นถนนก็เป็นวันเลย มันไม่ย้อนกลับมาชีวิตของเรามจากแก่ไม่กลับมาสู่ความเป็นหนุ่มสาวอีกมันมันไปจากความเป็นหนุ่มสาวไปสู่ความแก่แล้วก็ไปสู่ความตายในที่สุด <c oughs> นี่เต็มความจริงของร่างกายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาการพิจารณานั้นก็คือการสอนจิตของเรานี่เองเราให้จิตเรารู้เพราะว่าจิตเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย แต่จิตเราไปทุกข์กับมดยที่ไปหลงยึดไปติดปัญยาให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เหมือนกับเราหลงยึดติดอยู่กับลูกของเราหรือสามีของเราหรือภริยาของเราเราอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็เศร้าเสียใจแล้วก็มีความทุกข์มีความวุ่นวายใจแต่ถ้าเราศึกษาดูถึงธรรมชาติของคนว่าคนเราก็มีการ มีจลิตย์ยึดสายมีใจคอนมีอะไรของเขาเขาก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาเรามีหน้าที่บอกมีหน้าที่สอนได้เท่านั้นเองแต่เขาจะรับออกไปทำได้มากมายเพียงไรมันก็อยู่ที่ตัวเขาตัวเขาเองบางทีเขาก็อยากจะทำตามที่เราบอกแต่เ น, นื่องจากว่าในตัวขอ ง, ของเขานั้นมีอานาจที่เหนือกว่าเรียก ว, ว่าอานาจของยุนและกรรมนั่นเอง ที่เรียกว่าเรามีกรรมเป็นของของเราจนเคยทํากรรมอะไรไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นในอดีตเราอาจจะเคยทํากรรมไม่ดีไม่มากมันติดเป็นนิสัยมาชอบเที่ยวชอบเกบเรชอบความเกลียดครางชอบพูดโกหกชอบรักและขโมยน้อยจนติดเป็นนิสัยเหมือนกับคนที่เคยใช้มือขวามาก็จะติดเป็นแค จ, จะติดนิสัยถนัดขวามา พอสมมติว่ามาถูกสอนให้ให้มาใช้มือซ้ายอย่าไปใช้มือขวาก็จะรู้สึกว่าลำบากแม่พราะไม่เคยใช่มาก่อนแต่ย่างถ้าเคยกโกหกเคยลักเล็กขโมยน้อยเคยเกเลยเคยเคยเที่ยวเคยเกลีก ย, ย, ย, ย, ย, ลยดทาอยู่แล้วต้องมาเปลี่ยนทิซ้ายใหม่ให้เป็นคนขยันไม่เกเลยไม่รักเลกขโมยน้อยไม่กู้ป่นก็จะรู้สึกอึดอัดใจ แล้วถ้ายังไม่รู้ถึงผลว่าทําไมจะต้องทําด้วย่งจะไม่มีไม่มีความสนใจที่จะทําแต่ถ้ารู้ว่าเออเวลาที่เราทำสิ่งที่ไม่ดีนะั้นผลเสียหายมันทําตามมามันทำให้เราการเป็นคนไม่ดีทําให้เราไม่เจอทำให้เราต้องไปตระจกับความทุกข์ถ้าเเห็นโทษของการกระทำที่ไม่ดีของเราเราก็อาจจะมีการนับถี่ ที่จะพยายามทำที่พ่อแม่ เ, เพื่อเสด็จสิ้มยิมได้เอครูบาจารพยายามสอนให้รทำแต่กระาษ น, นั่นก็ยังต้องพอการจะทาอะไรที่เราไม่เคยทำมันก็เหมือนกับการเดินขึ้นเขาการกระทราทอะไรที่เราเคยทำก็เหมือนกับการเดินลงเขาเวลาที่เราทาอะไรที่เราเคยทาก็เหมันง่าย มัาสะดวกเวลาที่เราทำอะไรที่เราไม่เคยเขามันยากลองใช้มือที่เราไม่เคยใช้ดูเราก็จะรู้ว่ามันยากแต่คนที่เขาแขนขาดสองข้างเขายัางสามารถใช้เท้าเขาทําอะไรได้บานคนวาดภาพด้วยเท้าสวยกว่าคนที่มีมือวาดหรือทำแบบนี้เพราะเขามีความจำเป็นที่จะต้อ ง, งใช้เท้าของเขาร่างกายนี้มันเป็นเครื่องมือของใจใจสามารถเอา ส่วนไหนมาใช้ก็ได้เียงแต่ว่าถ้าใจเคยชินกับด้านส่วนไหนแล้วมันก็จะจ ะ, จะใช้ส่วนนั้นไปเสมอเคยใช้มือขวาก็วักจะใช้มือขวาเคยใช้มือซ้ายก็จะใช้มือซ้ายไปแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนไม่ได้เียแต่ว่าตอนที่เปลี่ยนใหม่ๆนี้มันมันเออจ้ามันไม่มันไม่สะดวกเท่นั้นเองแต่ถ้าฝืนทาประรักระยะเองแล้วมันก็จะต็ดเป็นนิสัยขึ้น ม, มาได้ มันก็จะพันอยู่มันก็จะชินแล้วมันก็จะสามารถทําได้เหมือนกับเหมือนกับเมื่อก่อนนี้ที่ใช้มืออีกหน้าอีกข้างการกระทําอะไรที่เราต้องการให้คนอื่นเขาทําแล้วเขาทาไม่ได้คก็เป็นเพราะว่าเขายัางไม่ถนัดเขายัางเขายัางต้องฝืนอยูอ่แล้วถ้าเขาไม่มีฉันทะความยินดีความพอใจเขาไม่มี เขาไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องดึงดูดใจเขาว่าการทาเหล่านี้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเขามากเขาก็จะไม่มีกำลังจิตกำลังใจนังเกตดูเวลาเราเวลาเขาทำอะไรกันแล้วไม่มีาาารางวัลนีคนจะไม่ค่อยมีกำลังใจทำกันเท่าไรแต่ถ้าทำแล้วมีกำลังใจมีรางวัลเมื่อเวลาเมื่อก่อนนี้รู้สึกว่าทางเดืนนี้เขาจะมีปัญหาคนที่เขาใช เวลาเวลาเขาจายเงิแล้วเขาามีมีบิลให้รักค่าทางหลวงตัวใหญ่เขาโยนเทื่อเลยเพราะว่าไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมก็โยนไปข้างประตูรถออกไปข้างหน้าต่างออกไปมันก็ทําให้กลายเป็นขยะ เ, เ, เตนน็มไปหมดทางหลวงเขาก็เลยมาแก้ว่าตัววรตไเนี่ยมีคุณค่าเก็บไว้เพียงโชคได้ทุกเดือนจะมีการจัดตลาดมีรางวัลแจก ก็เไม่ต้องเสียเงินไปจ้างคนมาเก็บกวาดเพราะเมื่อมีอะไรที่เป็นเครื่องร่อใจก็เขาก็จะมีกำลังจิตสมาจาจที่จะทํากันงนั้นเวลาที่เราอยากจะให้ใครเขาทําอะไรถ้าเรามีอูบายมีอะไรที่สามารถล่อให้เขาอยากจะทําได้อันนั้นก็วิเศษเช่นการปฏิบัติธรรมนี้ถ้าเราได้ฟังจากครูบาอาจารย์ได้ฟังจากพระพุทธเจา้าท่าน นีมีเหมือนกับรางวัลล่อเราอยู่แปลว่าปฏิบัติได้นะจะได้อย่างนี้อย่างนี้นะเพราะท่านได้มาแล้วท่านรู้ว่านิพพานเป็นอย่างไรท่ารู้ว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้เป็นอย่างไรถึงแม้ว่าจะเราลำบากลำบุญมากน้อยเพียงไรก็ตามแต่เมื่อได้เห็นท่านได้ได้รับผลนล้วมันคุ้มค่าอย่างมหาศาลคนที่พูดอย่างนี้ได้ก็ต้องเป็นคนที่ <c oughs> ได้ผลมาแล้วได้ปฏิบัติมาแล้ว ถ้าคนที่ไม่ได้ผลไม่ได้ผ่านมาเวลาก็สอนเขาจะไม่ค่อยมีมีอะไรมาโน้มน้าวจิตใจคนเท่าไเพราะตัวเขาเองก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าที่เขาสอนนั่นเหมือนจะเป็นอย่างไรจะได้ผลอย่างไรละมันที่จะได้จากการปฏิบัตินี้เป็นอะไรเขาก็ไม่รู้เพราะตัวเขาเองก็ยังไม่ได้ผลนั่นดัะนั้นการฟังเทศน์ธรรมจากคนที่ได้ผลแล้ว ได้บรรลุนะ้รกับคนที่ยังไม่ได้เรรลุนะั้นมันแตกต่างกันว่ากตรงที่การให้กํำลังใจงแล้วตรงที่การสอนอย่างถูกต้องแม่นยำคนที่ไม่เคยเคยผ่านยังไม่ได้ผลจะสอนไปแบบงูลกลาปลาจะสอนไปแบบจินตนาการเหมือ น, นกับคนที่ไม่เคยได้ขึ้นมาบนเขาย่อเกิดคนถามว่าบนเขานี้เป็นยังไง ก็อาจจะพูดได้ตามจินตนาการที่ได้ยินจากเพื่อนๆที่เขาไปเล่าให้ฟังว่าตรงขางนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเล่าแบบผิดๆผิดๆเพราะมักจะต้องผสมตำนานส่วนที่ตัวเองต่อเติมเข้าไปพอพอคนที่ได้ยินได้ฟังมาเป็นสฐานที่นั้นก็จะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับที่เขาพูดนเลยในคนที่สอนโดยที่ยังไม่ได้ประสบผลสาเร็จางการปฏิบัติ ก็จะสอย่างนั้นสนตอตามจริงสถานการณ์นับแล้วก็จะไม่มีการ <c oughs> มีลังวนล่ใจคนฟังนม่นเหมือนกับการที่ได้ยินได้ฟังจากพ่อพิธเจ้าด้วยจากพระประธานั้งหลายขณะที่ท่านได้บรรลุแล้วท่านพูดด้วยความมั่นใจฟังแล้ววันนี้เราไม่สงสัยท่านพูดไม่เครือบแคลงสงสัยคนฟังเขาไม่เครือบแคลงสงสัย แต่ถ้าคนพูดพูดแบบเชื่อการสงสารไม่แน่ใจคนฟังก็ไม่แน่ใจตามด้วยดังนั้นการที่เราจะได้ยินได้ฟังอะไรคือใครจะมาสอนเรามาบอกเราให้เราทำอะไรนั้นก็อยู่ที่ตัวเขาด้วยว่าเขามีอะไรที่จะมาโน้มนงง้าวจิตใจเราได้หรือเปล่าถ้าสอนแบบแม่ปูสอนลูกปูมันก็ไม่ไหว แม่ก็อยากจะให้ลูกเป็นคนดีไม่ไม่เสกชุลาแต่แมไก็ยังเสกอยู่แม่เลยอยากให้ลูกไปเที่ยวแต่แม่ก็ยังไปเที่ยวอยู่อย่างนี้สอนไปก็สอนได้แต่ว่าจะก็ไม่มีน้ําหนักอะไรเพราะลูกก็จะหวังว่านอกที่หนแม่ไปเป็นเด็กชุลาแม่ก็บอกเป็นแม่ก็มีข้อแก้ตัวแปลว่ามันจําเป็นมันสังคมอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวลูกก็ใช้ข้อแก้ตัวอันเดียวกันเนี่ย มันจำเป็นเพื่อสือเขาเชื่อไปสอน่ะสอนได้แต่ผลที่จะเกิดขึ้นนั้นมันไม่ได้ดังดังนะดังที่อำการสอนที่พูดถึงนี้ก็ย้อนกลับมาที่ว่าเวลาที่เราอยากจะให้อะไรมันเป็นไปแล้วมันไม่เป็นไปที่เราอยากเราก็จะเสียใจหรือเราจะทุกใจดังนั้นเราต้องพยายามตาความเข้ า, า, าใจว่า ความอยากของเรานี้มันเป็นตัวปัญหาไม่ใช่ผู้ที่เราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้ไปอยากกับเขาแล้วเขาจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่เราก็ไม่เดือดร้อเราก็ไม่วุ่นวายหรือว่าถ้าเราอยากจะให้เขาได้ดีได้ดีเราก็ต้องสอนเ่าโดยไม่มีความอยากคือสอนไปตามเหตุผลบอกเขาว่าเออเ น, นี้ยการกระทําอย่างเนี้ยคือถ้าเราได้บอกเขาแล้ว ถ้าเกิดเขายังไม่รู้แล้วเขาได้ยินจากเราแล้วเขาสามารถนำออกไปปฏิบัติได้ประโยชน์ก็จะก็ะเป็นเขาก็จะเป็นคนที่ได้รับประยชเราเองไม่ได้อะไรนอกจากเรามีความสุขที่เห็นเขาได้ได้ได้เป็นคนดีได้ผลดีตามมาจากการกระทำความดีของเขาหรือจากการที่หยุเนี่ยจากการกระทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเราทำด้วยความอยาก เขาต้องทําให้ได้นะลูกต้องทําให้ได้นะคุณต้องทําให้ได้ถ้าคุณทาไม่ได้นี่ท่านก็โกรธท่านก็เสียใจอย่างนี้มันก็เท่ากับสร้างความทุกข์ให้ตับเราโดยใช่เหตุทั้งใดกับร่างกายของเราที่เราต้องตื่านเาช้าถึงความไม่สวยง า, ามก็ดีถึงความแก่ความเจ็บความตายก็ดีเพราะเพราะว่าใจเราอยากจะให้มันตรงกันข้ามกับความจริงใจของเรายังอยากจะให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่นั่น เรียกว่าวิภาวะตัณหาวิภาวตัณหานี่ก็เป็นหนึ่งในสารตัณหาที่ทําให้เกิดความทุกข์กับจิตใจของเราแต่ถ้าเราได้ศึกษาต่างความเป็นจริงแล้วเราก็ต้องบอกว่าเราอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้มันต้องเป็นตาตา ม, มเรื่องของมันอย่ก็ไม่ได ห, หมายความว่าเราจะไม่มีความรับผิดชอดูแลแล้วก็ดูแลหร่อเปล่าปัวญาตั้งหน้า อาบน้ำหลับท่าล้างหน้าล้าตาให้มันสะอาดไม่ใช่ปล่อยให้มันผมเข้าลุกนุ่งลั ง, งไม่อาบน้านําหลอกท่าเพราะว่าไหยๆมันจะสุขะแล้วแต่มันสุขะเต็มที่เลยอย่างนี้ก็มีบางคนปฏิบัติใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นก็มีสังเกตดูนักปฏิบัติ บ, บางคนนั่นก็ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องการดูแลรักษาหน้าตาเสื้อผ้าบางทีจีวงจีวรของพระบางรุกมเนี่ยแทนก็ไม่ซักเหมือนเป็นเดือยก็มี มันจะอัุวะเราก็ต้องเราต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในโลกของที่เราต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นแล้วคนอื่นนั้นเขายังมีความมีมาตรฐานของการอยู่ของเขาอยู่เวลาเวลาเราจะเกี่ยวข้ อ, ของเขาเราก็ต้องรักษามาตรฐานนั้นก็ดูลไปแต่ในใจของเราเราก็รู้ว่ามันก็เหมือนเป็นเป็นเรื่องของสังคมอยู่แค่นั้นเอง แต่ความจริงแล้วมันก็เราไม่หลงกับเขาอเขาจะใส่ละเขาจะใส่น้ำหอมจะแต่หน้ า, าตาปากหรือานขนะไหนแล้วก็รู้ว่ามันก็เป็นเพียงแต่เหมือนกับการเอาเขาเรียกอะไรเอาเอ า, เอากระลาษสวยๆมาห่อขยะ อ, อย่างเงี้ยั้งนันก็ยังเป็นขยะอยู่ดีสำหรับคนที่มีปัญญาเขาก็จะมองเห็นนี่คือการปฏิบัติ เพื่อให้ก้าวสู่ปัญญาคือถ้าเราไม่อยู่ครูบาอาจารย์บางทีเราก็จะอยู่แค่แค่สมาธิปฏิบัติหรืออาจจะเปถ้าจะพิจารณาก็พิจารณาอย่างเดี ว, ว่าพอพอของปากของคอแต่ยังแล้วก็บางทีก็จะเหมาเลยว่าเออเรารู้ละเราเข้าใจละในความจริงมันยังไม่เข้าใจก็ได้เพราะเวลาไปเจอของจริงเข้าแล้วมันยังมันยังเกิดมีความรู้สึกไมู่ีเกิดขึ้นอยู่ แต่ถ้าคนที่พิดนาจนถงถามแทนะ้แล้วเวลาเห็นร่างกายไม่ว่าอยู่ในสภาพใด mm. ก็จะรู้สึกเฉยเฉยแต่ถ้าเรายังไม่พิดนาถ่องแท้เวลาเราเห็นคนที่เรารักตายไปเนี่ยบางทีเราก็เกิดความเศร้าโศกเสีเยใจจมไม่ได้นอะนไม่หลับขึ้นมาแต่ถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆก่อนุ่งหน้าเวลาเป็นชั่งพอเราไปเห็นขนะองจริงแล้วเราก็รู้สึกเฉยเฉยว่าก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นอย่างนี้ ถ้าเห็นวนะ่าจิตใจไม่มีอาการอะไรจิตใจวางเฉยได้่ไม่ไ ม, มีถึกไม่มกันเรือถึกกระทบกระเทือนสิ่งที่เห็นก็ถือว่าก็ผ่านได้การพิจาราก็เพื่อที่จะรักษาจิตใจของเราไม่ให้ไปเจ้าเสือเสือใจไปทุกข์ไปมีความว้อนทุใจกับเรื่องราวต่างๆนั่นเอง ในเรื่องตอนก็เรื่องของการนี้เป็นหลายเราด้วยและกายของคนอื่นด้วยเพราะเรายังอยู่ในโลกนี้เราก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้อยู่เราก็ยังมีความรักมีความความยึดติดในคนนั้นคนนี้ก็เหมือนกันเราก็อยากคนใดที่เรารักเราก็อยากจะให้เขาอยู่เป็นานานๆไม่ให้เสาเจ็บไข้ได้ผัวจะให้เขาดูแลรูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมมีวางทีเวลาเขาไปรักษา เวลาเจ็บข้าด้วตัวไปรักษาคงที่หน้าตามร่างายเป็นคนละคนไปเลยก็มีพรอนมีแต่หนังหุ้มกัอนอยู่อย่างนี้ถึงต้อ ง, งลองตือเ็ยแล้วเราก็ขบดันขึ้นมาถาเราคิดนานอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกวา่านี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายขนาดนี้ยังดีเดี๋ยวมันกลายเป็นเสียกระดูกไปมันยังมั น, นยังเพ่งแต่แค่หนังเหี่ยวย่นเท่านั้นเอง ยังไม่ถึงกับการเนนป็นไปดุไปพิจาราไปเรื่อยๆอย่างนี้นะต่อไปจิตใจมันจะจะจะปล่อยวางร่างกายได้ไม่ว่าร่างกายของเราหรือของของใครก็เหมือนกันนะคุณแล้วก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันก็เป็นแค่ธาตุดินน้ำนลมไปอะไรอย่งนี้ที่สุนแล้วก็กลายเป็นที่เท่าที่ทางไปกลายเป็นดินไปส่วนธาตุอื่นนั้ก็ มันก็สะลายหายไปดินก็นานกงก็ไปลมก็ไปไฟก็ไปหายะเหลือที่เห็นได้ก็เหลือจะเหลือแค่ดินนะนี่นี่เป็นการเจริญปัญญาแต่การการพิจ า, ารณาทางด้านปัญญาเมื่อพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะถึงเวลาที่จะต้องพักก็มาพักในสมาทิเหมือนกันพราจิบไม่สามารถที่จะพิจารณาไปตลอดเวลาได้ พราะมันไปถึงจิตอย่างเงี้ยางทีมันจะเริ่มเกิดอาการคล้ายคลึนกับว่ามันเบื่อหรือไม่อยากจะพิจารณาก็ได้มันเหนื่อยสอนี่มันพิจารณาแล้วมันไม่เป็นเหตุเป็นผลพิจารณาแล้วมันจะเลยเถิดไปไปทางจิตเล็ก็ได้ก็ควรที่จะหยุดมันแล้วย้อนกลับมาทําจิตให้สนุกถ้าเราทำเคยทำจิตให้สนุกด้วยวิธีใดแล้วก็นั่งทําไป เป็นการพักจิตการทําการจเจรินปัญญานี่เหมือนกับการทางานเวลาเราไปทํางานเราก็ทาเต็มที่แต่พอถึงเวลาพักเราก็ไม่ไปทํางานเราก็กลับมาบ้านกินข้าวอาบน้หอาบท่ า, า, านอนพักผ่อนอจะดูดูอะไรบ้างฟังอะไรบ้างเป็นการพักผ่อนภายใ น, นตวัวพอตอนเช้าเราก็เปิดรนน่าพักผ่อนมีกาลังวางชาเราก็ไปทางานต่อได้ ถ้าเราทํางานตลอด24ชั่วโมงเช่งบางครั้งบางเวลาอาจจะมีความเป็นที่ต้องทํางานเกินเวลาบ้างเราจะรู้สึกว่ามันมันจะเหนื่อยแล้วงานที่จะทำนี้จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เช่นอยู่กับการพิจารณาการทางด้านปัญญาเมื่อพิจารณาไปถึงเถิ่ยแล้วมันจะรล่นไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่มันจะไม่ค่อยเป็นเหตุเป็ผลก็คนที่จะหยุดนั่แล้วก็ย้อนกลับมาทําสมาธิ พักสมาธิขณะที่จิตเข้าสู่ในสมาธิมันนิ่งอยู่เฉยอยู่ก็ปล่อยมันนิ่งเฉยอยากไปดึงมันออกมาการให้จิตนิ่งเฉยนี้เป็นการพักจิตเป็นการให้อาหารกับจิตเป็นการชาร์จแบตเตอรี่อของจิตนั่นเองเมื่อจิตมันได้รับการได้รับการชาร์จแบตเตอรี่ได้รับอาหารหรือ ไ, ได้รับการพักผ่อนเต็มที่แล้วมันจะถอนออกมาเอง เมื่อถอดออกมาแล้วเราก็ออากลับมาพิจารณาหนยพิจารณาเกิดแก่เกตายพิจารณาการหาจ็บสองพิจารณาดูอาการกตา่างๆของร่างกายของเราทำไปเรื่อยๆเราโดทั่งเราเกิดความตึงยาขึ้นมาพอคพลิดเพลความแก่ความเจ็บทางตายก็จะรู้สึกเฉยๆเพรเออเนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาและถ้ายัางสงสัยว่าเรา เราปล่อยวางได้หรือยังคือก็ต้องไปอยู่ใการสถานที่ที่มันอาจจะต้องโป่งวางร่างกายไปอยู่ที่เนี่ยที่เปียกๆที่กลัวๆอยู่อยู่ที่ว่ามันกลัวอยู่หรือเปล่าถ้าเข้าใจว่าถ้ามีปัญญาแล้วว่าอย่างไา ง, ไงไมันก็ต้องไปอยู่ดีมันจะไปตางที่แค่หนึ่งไปถ้ามันถ้ามันมีปัญญามันรู้ทันแล้วมันก็จะปฏิบัติทานได้เวลาภายแกล้ภายเข้ามาใกล้ตัวขนาดไหนจิตก็ ย, ยังไม่รู้จะหวนไหว ค ise, ือการรู้สเฉยๆนัแสดงว่าคือมันต้องไปพิสูจน์กัคนคือการพิจารณาของเราในที่ปลอดตายนี้มันก็เป็นเหมือนกับการซ้อมของนักมวยซ้อมเวลานักมวยเขาซ้อมกันก็ต่อยกระสบการณ์เรืองซ้อมกับเพื่อนเขาก็ไม่ได้ต่อยกันแบบแรงๆเอากันจริงๆกันงๆทีนี้เวลาขึ้นเวทีนี่แหละพอชิงชมปเนี่ยถึงจะรู้ว่าไอ้การที่เราฝึกซ้อมมานี่มัน เราสีมือเราถึงเมืออย่างถ้าเราสามารถนับคู่คต่อสู้เราได้เราก็รู้ว่าเราถึงแล้วถ้าอย่างแพ้ก็ต้องกลับมาซ้อให ม, มอ่อีกาไปแล้วเห็นอะไรแล้วใจยังสั่นยังหวั่นไหวนี่แสดงว่ายังยังแพ้มันยังไม่เลี่ยงเฉยยังไม่เป็นที่ัยขาก็ต้องทํา ม, มากลับ ม, มาลอง ครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านเท่าดีท่านมีป่ามีเขามีจักรมีเสือมีอะไรเยอะแยะท่านถึงไปทดลองกันไปเอาไกในส่วนนี้ก็เพื่อที่จะไปจะเจราญวิปัสสนาไปพิสุทธิธรรมละทำเสียงส่วนพวกเรานี้ยังยังเป็นปัญญาทางแบบว่าในปัญญาที่มีและที่ปลอดภัย จะคีดว่าเว้ยเไม่กลัวแล้วก็ไแต่ถึงเวลาที่จะต้องไปเจอนี่ก็รู้เหมือนกันสมัยอาตม า, ท, าที่ว่าสายมันตาย ก, กาสายเสือคือหลวงตาอยูแ้วทถ้าอยู่ต่อหน้าท่านแล้วสามารถทำอะไรโดยที่เราไม่หวังใจเรารไม่สั่นอะไรได้แสดงว่าเรื่องเรื่อ ง, องสมาธิมีปัญญาเต็มถ้าบางทีทำอะไรกัะทั่ง มือมาต่งกันหน่อยก็ยังควบคุมใจไม่ได้สมาธิทาไม่ได้ในขณะที่เราอยู่ในในในขณะที่เราต้องทาอะไรนี้สมาธิมันเป็นตัวเพียงแต่ก้อขนาดหนึ่งแตัวที่จะต้องจับความสั่นความอะไรต่างๆนี้อยู่ที่ปัญญาใ่ไาที่พดถึงเรื่องการพิจารน่ตารพูดถึงเรื่อว่า สิที่พภายใ น, นกายของเราใช่ไฮะแล้วก็มีที่อย่างว่า เ, เราจะลองดูซากศพ บ, บ้างเลยพนี้ก็่ยจะให้ปิดตาไว้อันนี้มีการพิจาร์รกายภายนอกครงอะสุขภาพวิ้ฐานดู่ง้ใช่ไมครับคือคือบางทีเราอาจจะไม่เคยเห็นว่าร่างกายของเราภายในมันเป็นยังไงครับถ้าเรามีหนังสือดูแล้วเราดูแล้วเราคิดว่ามันเหมือนของจริงเไม่ต้องไปดูที่ที่ของจริงก็ได้ บางทีวันนี้เก็มีการถ่ายภาพมาให้เราดูแคทนแต่ถ้าเรายังรู้สึกว่ามันยังไม่จริงพออเงี้ยเราอยากจะเห็นของจริงจริงอยากจะดูพิสูจน์ว่าเห็นแล้วใจเราจะรู้สึกย่า ง, ง, งาไงฟงได้หรือไ ม, อนนม่ก็มานแล้วแต่คนนะบางทีเขอาจจะเห็นภาพก่อนแล้วก็เอามาเจริญก่อนแต่ทีนี้เขย่ า, าเอ้ยภาพมันยังไม่จบเนี่ยเราดูของสดดูว่ามันเป็นยังไงเพื่อที่เอาตามความจดจำอย่างนั้นมาพิจารณาก็ได้เชิง แล้วกส่วนนะครับ่วก็ให้ให้เห็นจริงๆนะว่าเราเห็นของจริงแล้วเราจะมีความรู้สึกยังไงเรองควาจริงมันก็นยกหน้าเห็นว่าเราไปตลาดแล้วก็เห็นเขาเอาจับตายใส่พุงของหมูของวัว ม, มาขายแล้วก็ดูแล้วเราก็ไม่รู้สึกอะไรไกลับเห็นแล้วกลับอยากจะกินใช่ไหมครับแต่บางครั้งนิมิตก็ขึ้นเป็นกใจ ได้ได้ได้คือบางทีเราภาวนาไปแล้วมันปรากฏขึ้นมาเราเห็นในขณะที่เราพภาวนาเราท่ า, านก็บอกพยายามรักษาให้มันอยู่ได้านานๆถ้าทํางานก็ให้ทําเป็นการเขาเรียกปฏิท่าคือแยกเป็นแยกแยกเป็นส่วนเลยก็ได้ผ่ามันดอกมาดูาตัดศรีรษะตัดแขนตัดตัดขาผ่ า, าท้องออกมาดูอะไรเนี่ย เอาเอามากองเป็นเป็นชิ้นๆอันอันเหมือนกับที่เขาพาผ่าหมูพาไก่อย่างเงี้ยคนเราก็ไม่เหมือนมันก็ไม่แตกต่างกับหมูกับไก่เป็นแต่เราเรีว่าเป็นคนแต่ความจุนพายังของไก่ของคนของหมูของวัวมันก็คล้ายๆกันอันที่ที่เรไปจดจําภาพมาเนี่แล้วก็นอนเข้ามาหาตัวเราก็จะเป็นท่านไหนก็ดูว่าของตัวของเราก็เป็นอย่างนี้แลของคนอื่นเขเป็นอย่างนี้เหมือนกัน คนที่เรารักคนที่เราหลงมันก็เป็นหางเหมือนกันเพียงแต่เราไม่เห็นเราถึงไปรักไปหลงเขาถ้าเราเห็นนี่เราก็คงไม่รักไม่หลงคงจะไม่ไปแต่งาตาต ง, งานมาหลงไม่สนยไม่งามคืออะไรไม่สวยจริการดูสมบยก่อนนี่ไม่กล้าดูนะฮะเพราะว่าเห็นตอนที่ดูว่ามันเฉยๆในนี้ไม่โฟงเลยค่ะในมือถือจิตภาวนาไม่ทำดี มันยังเป็นสัญญาอยู่มองไปมันก็เฉยๆนะคะไม่เห็นโฟมันไม่รู้สึกคือเอานี่เราต้องเอานี่เราต้องเอานี่ไปไปไปไปไปไปส่ายกับคนที่เราหลงมากอยู่เพราะนอกนี้อย่างนี้นอเราเราใช้ตาอิสระดูทะลุไปใต้ผิวหนังก็ดีมากใช่ไหมครับใหม่ๆก็ยังอาจจะไม่ต้องพยายามทําไปเรื่อยๆอยู่สักระยะหนึ่งก่อนก็ได้ ก็เปเพราะคนที่เราเราชอบเราหงรักอ่ี้ยอเห็นเห็ภาพในฝันน่ะคือจากวแล้วก็แบบแล้วก็แต่ไม่ได้ช่วงน่าจมาทนะคะมาช่วงอ่้ชอันนี้มาไทได้อันไหนที่เราเห็นนีมันเป็นวตถุภูมิเราถือว่าเป็นยุทธที่ดี เ ป, เป็นมรรคได้เป็นปนัญญาได้ถ้าเห็นเฉยๆทำงานแล้วมันจะทำให้เราหลงติดอันนั้นกลับเป็นกิเลสจับสวยเนี่ย็ะจับเห็นสวยแล้วก็ก็เลยแตะแล้วลงมาอาจจะเคยคิดนานมาก่อนแล้วมันติดตาติดใจอยู่พอรอนอหลับมันก็โผลขึ้นมา เป็น<ม>เป็นความฝันขึ้นมาให้เราเป็นสัญญาเดิมอ่าเป็ น, <ส>นอาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยพิจารณามาก่อนในอดีแตแล้วเมื่อจิตสงบนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นได้เหมือนกันถ้าบางทีสงบแล้วไม่เห็นอะไรเลยเวลาเราออกจากความสงบนั้นเราก็ต้องมาม า, ม า, ม, ามาพิจารณาสร้างสัญญายืย้มขึ้นมาใหม่มันจะอัาเทปใหม่เทปคนลเรามาัานวดอยู่เลยเราก็ต้องอัาเทปตรงนี้ใส่เข้าไป อาการเมื่อมันถูกอกัดเข้าไปอยู่ในใจแล้วอาดไปบวชเข้ามันก็จะถูกอยู่ในใจจบแล้ว <c oughs> นะคะแต่พยายามให้มันเป็นปัจจิบัน <c oughs> ถ้ามันเป็นอดีตรล้วมันก็ผ่านไปแล้ว <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แล้วก็น้อมเข้ามาหาให้มันอยู่เป็นปัจจิบัติอยู่เรื่อยๆคือ <c oughs> อยาไปคิดว่าเราเห็นล่างในอดีตใช้ได้ร่านี้ไม่ใช้ <c oughs> เพราะเราก็เอามาใช้ในปัจจุบันเหมือนกับเรามีเม็ดเราเจอเม็ดแล้วเราก็เอาเม็ดวางไว้ตรงนั้น แล้วเราก็เดินไปไหนมาไหนเวลาเราจะั้งนี่เราไม่มีมือติ็บตัวเราถ้าช้างไม่ได้นักการพิจานี้ต้องที่าทางานั้ำๆดก็ต้องทำจนกระทง่ ง, ง, งมันทางานจนกระั่งแพอมองกล้นี่มันจะมองทะลุเข้าไปได้พี่งานแบอกหนังกรอะไรอย่างนี้ก็กเกิดสรุปจนน้ตาไหลแล้วก็อย่งนีต้องทำไปทำไปเรืยย่อยๆต่กระทั่งมันมั น, ม, นมันเห็น เห็นเห็นตลอดเวลาเหมือนแต่ว่าเราไม่ต้องไปดึงมันเวลาคือคือตัวที่พิสูจน์จริงๆก็คือที่ว่าเวลาเราเห็นแล้วเรายังเกิดความยินดีมันหลงชอบอยู่ด้วยเปล่าถ้ายังเห็นยังหลงชอบอยู่แสดงว่ามันมันมันยังไม่ไม่ไม่พอถ้ามันเริ่มมันหลงชอบเห็นแล้วชอบตั๊บไอ้ตัวนี้มันจะขึ้นมาสกัดัปชอบอะไรเนี่ยมันถามว่าไม่ชอบอะไร มีแต่เลือดมีแต่มีแต่น้ำหนองน้ำเลือดน้ำไหลต่างๆเป็นประโน์ในร่างกายมีแต่สิ่งที่เป็นปฏิกูลไหลออกมาต่างๆส่งกลิ่นเหนียวๆถ้าม่ได้น้ำวันหนึ่งี้ก็ไม่อยากจะเข้าใกล้เพราะฉะนั้หลังสมที่ยาวแบบเนี้ยครับว่าบางีเรามารู้ทันมาเลยภายหลังที่มันมันปรุงแต่งแล้วก็รับรู้ความรู้สึกเจรนาไป็แล้วแล้วก็มันรู้ที่ถังแล้วก็รู้ว่าโปรเซสที่มัน แงมันตั้งยาเราป็นชาคมันแรงชาคมันามันมันเลวแล้วถ้าถ้านปืนมันก็เข้ายิงเราแล้วเข้าไปแล้วแต่เรามารู้นที่ลังม่ก็ดขอย่งี้อ่าก็เรายังไม่เรายังเรายังไม่ได้พิจารณาอย่างอย่างอย่างอย่างตอนนื่อ่ะคุณเถ่นถ้ามันอย่งตอนนี่อยู่กับเราตลอดเวลานี้มันจะทันกันถ้าเทันมะพอเขาโผลมาพ้องก็ยิงหัวของก่อนต่อไปเขาก็ไม่โผล่ขึ้นมต่อไปเขาก็หายไป เราไปเรามองแเราก็พอเขาหายไปเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ต้องใช้มันอีกต่อไปเราก็ยังมองเหมือนปกติมองเป็นธรรมดาแต่ว่าคนที่สวยของนั้นก็ว่างน้เพราะเราก็มองแบบธรรมดาเราไม่ได้มองแต่เราไม่ได้มองเพราะเราเกิดอารมณ์อยากขึ้นมาแต่ถ้ามองถ้าไม่เคยคิดพิดจารณามาก่อนเนี่ยคนที่สวยอยากจะได้คนที่หล่อยอยากจะได้ขึ้นมาถ้าเกิดความอยากตามมานี้แสดงว่ามันมีตัวเอง แต่ถ้าเรามาถ้าเราพิจารณาเราเรารู้แล้วว่ามันมีอะไรเหมือนกำหนดทุกคนใช่ไหมี่อย่างผมดูว่ามันเป็นเรื่องการทำอย่างขังห้านะครับว่ามันมันเกิดขึ้นว่ามันปุงแต่งจริงแต่ว่าก็ไปแสด ง, งความพอใจไม่พอใจจดจําแล้วก็ทำอารมณ์วนเวียนอยู่นี้คือมันเป็นการเรียนลาดับนะครับที่ยอมพิจนารณาเรื่องแบบเช็นตาเห็นตาสัญญาตามาเวกานาตามาฝังขานตามาอันนี้เป็นการเรียนลาดับ แต่เวลาที่ปฏิบัติจริงๆไม่มีเวลามานั่งเรีย น, นเวล า, วลาจริงๆดูต ร, ตรงตรงที่เกี่ยวกตัวความความชอบความชังที่มันจะเกิดขึ้นมาตรงแล้วต้องมีตัวที่มาสกัดตัวความชอบความชังให้ได้<ม>เห็นตั<ม>้งถ้าชอบก็แสดงว่าหลงเน<ม>ี่ยถ้าเห็นแล้วพอเห็นแล้วจะชอบตั้บแล้วไอ้ตัวนี้มาบอกมันไม่มันไม่มันไม่ใช่เป็นที่เราคิดหออกถ้าอย่างเนี้ยมันก็สกัดได้ต้ไปสกัดตึดที่จะเป็นเวทนา แล้วรู้สุิพอแจหรือไม่พอใจเหมือนกันก็แถวนั่นแหละแถวเวทนาแถวอะไรนี้ยขึ้นมาแกระทั่งไม่เวทนามัการเป็นไม่สุขไม่ทุกข์ไปเฉยไปเลยเฉอเฉยเฉยเฉยไม่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเฉยเไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดเช่นร่างกายเราจะอยู่ในสภาพใดกับเหตุการณ์อะไรก็ไม่ยินดีนะ หรือว่าอะไที่สื่อล่างการมันก็จะต้องเป็นไปตามสภาพของมันถ้ามันจะเป็นตาม น, นี้ก็เป็นไปแต่ถ้ายัางไปอยู่ในเหตุการณ์ที่มันพ่ายใกล้ตัวแล้วจิตเกิดความตกใจหวาดยิ่ตกกลัว mm hmm. ก็แสดงว่าอย่างพิจาไรณาไม่ไม่ทันเมื่อเห็นอะไรแล้วยังอยากจะได้อย่างกรณี hmm. ยังอยากจะได้เขามาตรงนี้หรือว่า มด้มีอยู่แล้วเข้าไปอย่างนี้ก็ยังมาเสียใจร้องโหยร้องไห้ก็แสดงว่าอย่างอย่าพิจารณาไม่ไม่ไม่ทั่ว ถ, ถึงเพราการพิจาราร่างการมันก็มีหลายหลายหลายหลายแง่ยด้ในการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงคือแก่เจ็บตายพิจารณาถึงความไม่สวยงามควา ม, ปวา ม, ม, วมวเป็นปฏิคูว่าความเป็นไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเพียงแค่ผ้าคือดินน้ำลมฝอ แล้วพิจารณาถึงความเป็นทุกข์และร่างกายนี้มันมีแต่ให้ความทุกข์กับเราตลอดเวลาทุกข์ที่เกิดจากความหิวอาหารรู้น้ำทุกข์ที่จะต้องอาบน้ำหนัออกตาทุกข์ที่ต้องคอยดูแลรักษาอันนี้ก็เป็นภาวะทา ง, งทางที่แม้กาาาระทั่งพระอรหันต์ก็ยังบอกว่าปัญหเฮเวพระภาเฮเวเป็นจากขันธ์ขาขันธ์ห้านี้เป็นภาวะหนักอย่างยิ่งือร่างกายนี้เดือดนเป็นภาวะและกระทั่พระอรหันต์ก็ยังต้องดูแล ต้องกินข้าวต้องอาบ น, น้าต้องขับต้องถ่ายต้องหลับต้องนอนต้องออกกําลังกายเรียกายยืดซ้ายอะไรต่างๆท่นเป็นท่าเป็นทุกข์กขารพิการกายนี้ เ, นเราจะเลือกเอาที่เราถูกกับจะหลุดเกิดไหนอย่งยางหนึ่งจได้เริ่มต้นก็ได้แต่ต่อไปก็คงจะ ต, ต้องเคลียรว่าหนก็จะแผ่ไปเองมันก็จะตามไปเองลังคนอาจจะชอบดูโพงกันหนึ่งไดูตรองกันหไปก่อนกอได้ทคณะส กับทุกนาทีนาเป็นภาคเรียนน้ำโรงไฟพลังที่เป็นนามใหว่ยิ่ามรู้สึกเราเราพิจณาได้อยู่แค่เลยแต่เราเล่นลึกกว้างเลยที่ได้กาพิบายะเราแต่ก็วนไปวนมาเราไม่ทางานไม่ทงานทุกนาใหม่ก็อย่างนี้เวาเด็กที่เรียนกอไก่เขาไก่ก็ยังไม่สามารถที่จะมานั่งเขียนเป็นตำราได้ก็เขียนแม่แต่กอไก่เขาไก่แต่ถ้าเรียนไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมังก็จะขยายกว้างไป เรารู้สึกว่าการพิจารณานี้มันมันช่วยกระตุ้นเรื่องความคุ้งสร้างได้มากกันเพราะหลังมันก็มาดูแต่เรื่องที่เราพิจารณาก็การพิจารณานี้มันก็ใช้ตัวเดียวกันครับที่ไปทําทําให้จิตคงสร้างคือตัวสังขารสังขารนี่มันไปได้สองทางถ้าพิจารณามันก็ไปทางว่ามันก็ทําไปสู่ความความสงบทางนม่มนิ่งถ้าบังไปทางทางกิเลสมันก็ไปทางความคุ้งสร้าง ถ้าเาคิดไปไเรื่อยเกิดคิดไปเรื่องนั้นกังวลเกงเรื่อ ง, งนี้ห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้เ น, นี่ยเป็นเรื่องของกิเลสเท่านั้นแห <c oughs> ะเพราะไม่มีอะไรน่าห่วงถ้ามีธรรมะมันไม่มีอะไรน่าห่วงเราไปห่วงมันเองเราไปอย่างมันเองมันเป็นน่าห่วงแต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องไปห่วงห่วงยังไงถึงเวลามันก็ไปอยู่ดีห่วงเงนี้ยมันก็เป็นอยู่ดีไปหนะ่วงทําไมใช่ไหะ ท่านอาจารย์คะอย่ากสมมุติว่าเรายังเพิ่งเริ่มปฏิบัติใหม่ใหมสมาธิแล้ยากตั้งมั่นไม่ได้จิตก็ไม่สงบเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นจากการมีสมาธิก่อนให้ตั้งมั่นก่อนค่อยพิจารณากายหรือว่าพิจารณากายก่อนค่อยมานั่นหรือไปทําอะไรอย่างไหนก่อนถึงจะดีกว่ากันให้มันก้นาวหน้าได้เร็วขึ้นนะคไร็วก็จะ่ของเราแต่แลจะจิตไม่เหมือนกันบางคนอาจจะไม่ต้องอาศัยการบริกรรมพุทโธพุทโธอาจจะอาศยการพิจารณาเป็นการ ทำจิตให้สงบก็ได้ให้เราเที่ยวอยู่ในกาลยักษ์คออย่างนี้ถ้าเราดูกําหนดดูอาการต่างๆของร่างกายเราไปเรื่อยๆและจิตของเรามีควาสมสงบมันก็มันก็ได้ก็ไปไปทางนี้ไปเลยก็ได้เป้าห ม, มายก็คือต้องการให้จิตนิ่งจิตสงบจิตปล่อยว า, างที่บางทีบางคนนี่เขาพิจารณาไม่เป็นเราต้องอาศัยการทำ ทำสมาธิไปก่อนเพราะมันง่ายพุโทโธพุโทโธแล้วดูลมหายใจอันนีมันไม่ยากการทํามสมาธิมันง่ายกว่าการเจริญปัญญาแต่ที่เจริญของคนนะั้นมันมีสองสองแบบไงคนที่ถนัดทางด้านปัญญากับคนที่ถนัดทางด้านสมาธินั้แล้แต่บางคนได้สมาธิก่อนแล้วค่ใช้ทางปัญญาบางคนไปปัญญาแล้วก็ได้สมาธิกับปัญญาควบคู่ไปญญญกันอย่างด้วยกัน พอพิจารณแล้วจิตหนึ่งก็จะปล่อยวางพอปล่อยวางจิตหนึ่งก็เข้าสู่ควาสงบมันก็ได้ทั้สองอยา่างได้ปัญญาด้วยได้สมาธิด้วยที <c oughs> นั้นก็ <c oughs> แล้วแต่เราจะถนาดบางทีเรามีวุ่นวายกับเรื่องอะไรเราก็สามารถกําหนดพุดโทพโธพทโไปแม่ไปคิดเกี่ยวกับที่ทำให้เราวุ่นวายความวุ่นวายของมันจิตก็จะสงบลงนะ แล้วบางทีเราพูโทรศัพท์แล้วมันก็ยังกลับไปหาเรื่องที่ทําให้เราวุ่นวายอยู่เราถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาเป็นล้วก็เอาใจรักเข้าไปไปเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตัวแก้ปัญหาถามเราว่าเรื่องที่เราวุ่นวายอย่างเนี้ยมันมันจะเป็นอย่งี้ไปตลอดหรือเปล่ามันหรือว่าเดี๋ยวมันสักวันหนึ่งมันก็ต้องหจบไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจะถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราก็ตามแต่มันมันก็ต้องจบด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ถ้าถึางนั้นแล้วก็ก็ยอมแล้วก็ยังเดี๋ยวมันจะเดมันจะออกมาอย่างไรก็เหมือนก็ต้องเป็นไปอยู่นะถ้าเรายอมรับผลที่จะเกิดขึ้นจิตเราก็สงบได้ไม่ห่วงว่าจะถูกไล่ออกหรืมไม่ถูกไล่ออกนี่เป็นต้นคิดว่าเขาไม่ถูกไล่ออ ก, กวันนี้เดี๋ยวอายุหกสิบก็ต้องออกอยู่ดีแล้วก็มันไม่อยู่ในอยู่ในความอํานาจของเราที่เราจะไปควบคุมได้ เขาจะจะให้เราออกอะไรทำไงเรามานั่งเหงื่อมานั่งกังวลกินไม่ได้มา ไ, ไม่หลับมันก็ไปทำอะไรเขาไม่ได้เลยาอยากจะให้เราออกเดี๋ยวเขาก็ให้เราออกอยู่ดีแต่ก็ยอมรับเสียแต่ต้นเลยว่ายังไงไงก็ต้องออกไม่ช้าก็เลยงั้นเราทาอะไรเราอยากไปยึดกระตุกอะไมากเกินไปเราควรที่จะมีทางออกเสมอเราควรจะมีอะไรเป็นเครื่องรองรับถ้าไม่ได้มีงานนี้ก็ทําอีกงานหนึ่งก็ได้ ให้มีงานอยู่เฉยๆก็ก็ดีการได้พักผ่อนได้พักร้อนทั้งยาวไปเลยหเดือนปีนี้ <c oughs> ได้ปฏิบัติธรรมได้ไปวัดบ่อยขึ้นนี่คือการใช้ปัญญาจิตก็มันก็ทำให้จิตสงได้ถ้าเป็นแบบนี้แล้วต่อไปมันจะไม่หวั่นไหวกับกับปัญหาต่างๆแต่ถ้าเราใช้อุบายของสมาธิเราพุโทโธพุทโธไปพอจิตสงบ ม, มันก็หายวุ่นวาย แต่พอมาเอกจากออกจากสมาธิแล้วมาคิดถึงเรื่องงานนี่ก็วุ่นวายแล้เพราะยังไม่ได้แก้ปัญหาอยู่ดียังไม่ได้ไปพยายามรับความจริงอยู่ดีว่าการาที่ต้องถูกออกไม่ถูกว่าพยายามรับว่าต้องถูกออกนี่แน่สบายใจเรียนรับไว้ก่อนมันก็ทำได้หรือรักไครมากกลัวเขาจะเนี่ยเมื่อสองาันก่อนมีคนอีเมลมารักเอง่ารักเรื่มาก คุ้ไ <akl> ม <mé> <ima> <laughs> <talk> ่ได้นอนไม่หลับจะเป็นบ้างว่าใช่ในจา์เอาน้ำขุ่ลรางอะก็บอกว่าให้อยากได้ทำว่าโดนใจโดนมไิ้ดยบ้านนี้ยังบอกว่งนี้ผมไม่รู้พอฟืนเลยขึ้นก็ยังไม่ตอบมาเลยธรรมดาจะตอบกับมาเร็วนะ เขาเขาเขาบอกว่าท่านต้องหลงที่คือเขาเขาเขามีปัญหากับภรรยาครับเขากลัวภรรยาจะจะขอหย่าแล้วอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันภรรยาเอาใจงานก็รู้สบกวาจะไม่ไม่พอใจอยู่เสมอแล้วก็มีลูกคนหนึ่งอายุสักห้าขวบแล้วเขาก็รักลูกลูกคนนี้มากกลัวเดี๋ยวภรรยาหย่าแล้วจาลูกไปด้วย ก็กินไม่ได้นอนไม้หลับแต่ตัวเองก็รู้ว่าต้องทําใจแต่ก็ทํำใจยากเหลือเกินเขาบอกอยากจะให้ช่วยให้ใหธรรมะหน่อยสมณก็เลยเขียนเป็นกลอนร ว, ว่าคนคนฉลดาดน่าจะถามตัวเองเสมอว่ามีครอบครัวแล้วทุกมีทําไมมีพันยาแล้วทุกมีทำไมมีลูกแล้วทุกมีทำไมมีแต่คนงัวท่านั้นที่ยังมีเอย่า ง, งนี้ แล้วก็ทุกขับมันไปตลอดเวลามีแล้วทุกมีทําไมก็ลเลยส่งให้สุเมอ่านด้วยแม่บอทีนั้นแม่กว่าท่านเปจะกลอบโยนไม่หรอกเเป็นโฮมสุเมนด้วยเพราะอาจจะงานเยอคนนุณเยอะแล้าบางทีบางทีเตือนเข้าว่าเรื่องหน้าก่อนแล้วไม่งานนะเดี๋ยวมันไม่เกิดขึ้นกับเขาแล้วเขาจะ ม, มาขอใจถึงนะว่าอ๋อเนี้ยท่านไม่ได้ทํามาไว้เรื่องหน้าก่อนเขาก็จะเป็นบ้างอยนะ่า พราขาหลงอะ่ะ เ, เราไม่รู้เหมือนเขาเราอาจจะไม่คิดเราเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กใช่ไหมแต่เขาสำหรับคนที่หงแล้วรู้แต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยคือก่ต้องสเสียคนรักไปนี่ปัญญาอยูอย่ยจะช่วยแบ่งเบาไปที่มากได้โปัญญาไม่สามารถรักษาสิ่งที่เรารักได้แต่รักษาใจเราซึ่งเป็นสิ่ ง, งที่เรารักยิ่งกว่าอย่งอืซึ่งมีคุณค่ายิ่งกว่า อ, อย่อื่นแล้วจะเป็นตัวที่จะสร้างความทุกข์ความ วุ่นวายให้กับเรามากที่สุดไม่มีอะไรเลยสร้างความวุ่นวายให้กับเราเข้าใจเราแต่เราไม่รู้เรากลับคิดว่าสิ่งต่างๆภายนอกกำลัอองสร้างความวุ่นวายกับเราแต่ความจริงใจของเรานั้นกาลัอองสร้างมันขึ้ น, นมาเพราะเราไม่ดูแลรักษาใจเราเราเป็นดูแลรักษาสิ่งที่เราน่ะ ถ้าสิ่งที่เรารักมันในที่เกิดก็รักษามันไม่ได้เลาใจเรารักษาได้เราไม่รักษาแล้วปล่อยให้ใจมันสร้างความทุกขักกับเราอยู่ตลอดเวลาครูบาอาจารย์ถ้าเราไปฟังเทศน์ฟังธรรมันจะพูดแต่เรื่องใจอย่างเดียวเทศทางภาคปฏิบัตินี่จะพูดแต่เรื่องใจ แต่ถ้าเทศทางปริยัมนี่จะไปทางธรรมะต่างๆธรรมะสัจธรรมอริยสัจสีมหาสตรปริปัฏฐานอะไรก็ว่าไป<ม>แต่ไม่เข้าไปถึงตัวใจเพราะคนที่สอนไม่ได้สอนถึงใจเพราะไม่ได้ปฏิบัติถึงใจไม่รู้ว่าใจเป็นตัวปัญหาเ<ม><ม>ขาก็เขาก็ศึกษ า, าแต่ตำราใจตำราทั้งหมดนี้ชี้มาที่ตัวนี้ตัวเดียวนั่นคือใจเราใจเราเรานี่ยเป็นเป้าใหญ่ของธรรมะ ให้่าให้ทุกอย่างมาที่ใจเนี่เพราะตัว ท, ที่กำลังจะสร้างปัญหาก็ดีในใจแล้วนี้ก็<ม>คือตัณหาทั้งสามตามวัตตนาตวัตนายุตตาวัตห า, าตหารือโลภโกดหลงซึ้นเกิดจากอวิชาหรือโมหะเนีป็นตัวตัวหลงหลงผิดเห็นผิดเป็นเช่าเห็นตรงกันข้ามขอ ง, ง, ง, งความเป็นจริงเห็นว่าทุกสิงทุกอย่างภายนอกสามารถให้ความสิสลาลาดกับเราได้อันนี้ก็เห็นผิดเนี่ คามจริงแลู้เจ้าทุกเสิ่งท้กอย่างภายนอกเป็นทุกข์เพราะมันเป็นกายรักอันนี้จจ์ทุกขังอาัตตาเนี่ยมันมีทุกข์อยู่เวลามองไม่เห็นเนราเห็นได้หลายก็อย่างเครืงเนี่ยมันคือปิสุดสบายติดวางขี้ขี้เห็ดเวลาจะป่าล้นไปได้มันลําบากตรงเนี้ยเพราะว่าต้องต้องแบบนอยกับดินกินกระตาย ต้องอยู่แบบแบบนั้นตองไปอยู่วัตถิบัติอย่เลยไม่มีอะไรในชะ่ไหมป้าก็ไม่มีน้าป้าก็่มีอาหารก็ตามมีตามเกิดแต่หาอยู่ไปเถอะมันเป็นการเป็นการเป็นการกแก้ปัญหาเว่าเรวลาไปติดความติดความพึ่งพ่วยติดความพึ่งพ่วยต่างๆพอเราขาดมาหน่อยก็เหมือมนคนติดยาติ ด, ด, ด ตอนนั้นมียาเ็ติดก็อยู่ไม่ได้แล้วแต่ก็ยังอยู่แบบเรียบง่ายนี่แสงสบายมีอะไรก็กินได้น่ดีแบบคนที่กินได้แต่เฉพาะบางอย่างะแล้วเกี่ยวัเขาตรงเยอะยะมันจะลดทเติมทั้งเป็นกินได้ดีเสได้เติมน้าได้มันก็ดีกว่าใช่ไหมไม่ใช่จะต้องเติมแต่ก้าห้าอย่างเดียวท่านจะตอนท่านจะเล่าว่าท่านจน แตงชอยไปเพือว่าอยู่ห้องแถวอีกหนึ่งมีคนที่นี่ในกลุ่มนี้ก็บอกเขาก็อยู่ห้องแถวปีนานแล้วยังทำไม่ได้เดิมใจก็ไม่ทากันอยู่ที่เชย่างเ้ยเหมือนเหมือนเมือนทัพทีเนี้ยมอแกงมันก็ไม่รู้ว่าแกงเป็นแกงอะไรต้องต้องเอาลิ้แแนเข้าไปจะลิ้นต้องอยู่แบบลิ้นแล้ว ไ, ไอยู่แบบทัพที สถ้ทงที่มันไม่ใช่เป็นตัวตัวชี้หรอกตัวจิตเนี่ยเป็นตัวชี้นคะครับจิ ต, ตั้งแต่ละคนได้รับการพัฒนามาต่างกันมาตำหนิก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองทางนั้นได้ไม่มีใครสอนแต่มันก็ไปของมันเองมันเหมือนกัมีอะไรคอยดันลงไปทางนี้นแล้วะ มันก็มามันก็ดมไปเรื่อยตอนนี้ไม่ใยช้านก็ไปตอนนี้ไม่ใช้านี่ก็ไปเช่มันคะมีของเก่ามันยากนะมันจะมีของเก่าแล้วมันก็พาตัวเองทางมาจนจนได้ไปกราบครูบาอาจารย์ได้ไปดูดกับสมเด็จพระสังฆราชนี่มันก็เราก็ไม่เคยคิดวางแผนมาก่อนพัดโบราณเราเคยเข้าไปที่ไหนไม่เคยเข้าแล้นไม่เคยคิดอยากจะเข้าด้วยแต่มันก็ถูกพถูกถูกถูกพาไปทำนั้นจะไปดูดกับพระที่ว่าใกล้บ้านท่านก็บอกว่าไปดยดกับสมเด็จงานดีกว่า เพราะท่านรู้ว่าเราจะได้ไปปฏิบัติศึกบาได้ทางสายถึงปู่มาเนี่ยโชคดีเพราะว่าภาพที่ไปเที่ยวนี้ท่านก็ได้ไปกราบหลวงปู่ฟั่งมาแล้วท่านก็มีศรัทธาแล้วท่านก็เข้าใจเป็นการปฏิบัติว่าเป็นอย่างไรแล้วท่านก็ไม่สามารถที่จะสอนเราได้เพราะเราเล่าการปฏิบัติให้ท่านฟังต้นๆเวลาจะกาบท่าน ผมได้ปฏิบัติอย่างนี้มาอยู่ปีนงนะแล้วอยากจะบวชนะอยากอาจะบวชแต่ว่าที่ไม่มีการไม่มีภารกิจต่างๆทางด้านสวดนต์ไหวพระงานศพงาน ส, สงานศพงานบนุชต่างๆอยากจะแต่ขอปฏิบัติอย่างเดียวท่านบอกว่าของท่านเป็นวัดธรรมดาเขาก็มีอย่างนี้มีสวสดศพมีสวสดงานบูชต่างๆมีการเรียน เราตามหลักเพราะยังไงถ้าอยู่กับใครก็ต้องอยู่กับท่านถึงห้าสิบเดียกันถ้าอยู่กับท่านก็ต้องอยู่กับท่านห้าสิบนั้นเมื่อสามารถที่จะให้เราปฏิบัติอย่างที่เราเคยปฏิบัติได้เขาเลยบอกให้ไปหาสมเด็จญาเพราสมเด็จญานี้ท่านเมตตาหยุเสร็จแล้วท่า น, ยานอย่มีญาณให้ไปอยู่กับทูตยาจทางสายปฏิบัติได้ก็เลยได้ไปไอเนี่ยที่ไม่รู้ไม่เคยได้ยินมาฟังก่อนนั้นมีพระปฏิบัติสายมั่ง้า่มั่อยู่ ก็จะรอเวลานึ่งปีนี่เสร็าจากพระนิตพระตันกิละรู้จักแต่พระในในสมัยพุทธกาล <c oughs> <c oughs> ไม่ไมเคยคิว่าจะมพระในสมัยปัจจุบันที่ที่ยังปฏิบัติเช่นตามตามตามพระที่อยใ น, ยน <c oughs> พระตกิเลก็ไม่เห็นไม่เห็นเพราะว่าตามชาวบ้านไม่มีไม่มีการปฏิบัติมี <c oughs> แต่มหาหอรโสบมีแต่ลํายุอยู่ในวัดเงในช่ีที่ปฏิบัติก่อนหัวที่สิ เป็นสมาธิเะมากใหม่มันก็สลับกันเนี่ยมันแค่คาราเวลาเราน้มันก็สงบพอเราออกมาแลเราเผอเราไปคิดนิ่งๆเราคิดสร้างก็ต้องรีบกับมาง้าง่หเร่เดิังกมใหม่แล้วก็ควบคุมตัดใหแ้เดี๋ยวพอมันสงบปับเราก็สบายแล้วก็ล้วก็ปล่อยหงอีกพอปล่อยนึ่งับครมันคิดสร้างกแล้ังกับมาก็คือกันตายคือกันลาอยู่นี้ค แล้วบางทีก็มีความอยากที่อกไปเที่ยวไปไ ป, ไปมือนกับที่เคยทําอะไรเนะี่ยก็ต้องพยายามต่อสู้ใช้ใช้ปัญญาหัวไปไปก็เหมือนกับถอยหลังไปแล้วเราเดินมาถึงนี่แล้วเราไปเที่ยวแล้วก็เหมือนกับปีนเขาได้หลายหลายขั้นแล้วต้องเดินกเกาะลงไปข้างล่าแล้วเดี๋ยวต้องกลับปีนขึ้นมาที่เก่าถ้าเรา ไม่ไมไปเราก็จะได้เปลีนขึ้นไปสูงขึ้นกว่นี้ไดเอาเวลาที่ไปเที่ยวนี่มาเปลนต่อไปดีก่ะบางทีก็ทําได้บางทีก็ทําไม่ได้บางทีก็บางทีวันอย่างวันลอยกระทงกันได้ยังต้องออกไปเลยจะออกไปก็ไม่มีความสุขไงเห็นแล้วใจยังสืบที่เห็นแล้วมันมันไม่ด้มันมันไม่้องหยอใจมันดูแล้วไม่มีความสุขมันดูแล้วเกิดชื่อชื่อเลยไง แต่ลอยก็ะทงอยู่ในบ้านไม่ได้มันก็ต้องออกไป <c oughs> นใการบวนมันดีอย่างวนแล้วมันต่ำมันไม่ไมีสิทธิ์ที่จะไปคิดอย่างนั้นอย่างอยงู่ที่นี่เขาเวลามีงานรอยกระทรงเนี่ยเขาจะมีคนม า, มารอยเยอะนะที่นาระเนี่ยมีมสระน้ำอยู่นั่นก็มีคนมาชวนไปเรื่อยนอนดีกว่าท่านอาจารย์คะ การทำสมาธิคือการทำให้จิตจด จ, จอ่อ ใ, ให้สงบในจด จ, จ, จอ่อคำบริกรรมใช่ไหมจ้าคะอย่างทีนี้เกิดฟังพระธรรมเทศน์อย่างฟังขั้นใจเทศหรือว่าฟังเพทพคุปตาจาันเนี่ยเรานั่งสมาธิไปด้วยเนะี่ยและเราบริกรรมไปด้วยหรือเราไม่ต้องบริกรรมฟังแต่สิ่งที่ขั้นเทศจะได้จด จ, จ่อกับสิ่งนั้นควรจะทำแบบไหนดีคนะถึงจะได้สงบแบบนั้นก็ได้ที่ให้มันสงบ ถ้าเราฟังแล้วมนสงบแล้วก็ฟังไปก่อนคือถ้าเราเราเราฟังคือปกติถ้าไม่มีเสียงครูบาอาจารย์เราก็จะโทรนาพุทโธใช่ไหมคะยิ่ฟังฟังที่พานเทศเนี่ยเราควรจะฟังเฉยๆโดยพุทโธด้วยคือไม่ด้ว่าคือจิตมันแย่แ้ก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพุทโธให้ันเะก็คือฟังจดจ่ออย่างเนดีเพราะจิตจะได้มีอารมณ์เดียวแม่งก็ต้องคอยพุทโธด้วยคอยฟังด้วยไม่ต้องพุทโธ่รู้สึกว่าีเด็นเราจะจะบอกเราว่า อย่างไรกันแน่ฟังรู้อะไรเนี้ยมันหลอกเรามันหลอกมันเหมือความสงสัยที่เิดขึ้นเรามันต้องเป็นหนึ่งเดนยวต้องเป็นหนึ่งเดียวเพราะเราต้องการทําจิตให้มเป็นเป็นหนึ่งมันก็ต้องมีการเริ่มเป็นหนึ่งก็ต้องเลือกอย่างเดียวใช่การฟังนี่มันมันก็มีสองทางนะฟังเพื่อให้สงบเพื่อไม่ต้องไปคิดตามหรือฟังให้เกิดความเข้าใจก็ไม่ต้องไปหวังความสงบถ้ามันเมื่อมันเข้าใจแล้วมันมันสงบเอง เนั่จะั้งมันอย่างไดอย่างหนึ่งไปเลยไม่ต้องีจะเกิเกิดมาการฟังธรรมมันจะเป็นได้จากลากษณะฟังฟังแบบเป็นอุบายสมาธิกล้าใสเสียง <c oughs> ของท่านเป็น ต, ตัวกลมใจห <c oughs> รอเวลาฟังแล้วพิจารณาตามท่านด้วยเห็นด้วยผล <c oughs> เราก็จะเข้าใจอ๋อออถ้าว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้เข้าใจเข้าใจทีเท่าน ว, ว่าถ้าต้นต้นเวลาท่านเทศน์าจารเทศน์จะข้นต่ำไปแล้วก็เข้าใจเข้าใจ พอสูงขึ้นสูงขึนจะไม่เข้าใจเราก็อาจจะตามไม่ทันเราก็อาจจะอาสายเกาะเสียงฟังไปให้มั น, นสงบเฉไปเกาก็กได้ธรรมดากุบาจารย์เราท่านเื่อท่านโะเพศจกจกทานจากสิงเข้าสู่สมาีิเข้สู่ปัญญาเข้าสู่มิมุติข้บางทีจิตของเราอยู่ในขั้นไหนเราจะเราจะตามทันแค่ น, นพอนเลยขั้นของเราแล้วกเราไม่ัมันแต่เราเรียนถึงมหกนี้ถ้าเ็พูดวิชาท่เราเรียนอยู่ขั้นมหกนี้เข้าใจ พอเขาพูดถึง 11, <S <S ปีหนึ่งปีสองอะไรนี่เริ่มไม่เข้าใจแล้วพอไม่เข้าใจเราก็อย่าไปตามละตามก็ไม่เกิดประโยชน์ล้วก็สายเสียงแี้วก็เกาะให้มันนิ่งจนกว่าท่านจะเทศเศสร็จถึงแล้วเพราะว่าทาําภูมิทำภูมิจิตของแต่ละคนไม่เท่ากันเวลาท่านสแสดงท่านต้องทักตองแสดงข้างๆนับครอบจักรวาลเแต่ละคนที่ฟังนี้บางจิตบางค น, นมีขั้นพิฆาติบางคนมีขั้นทานบางคนขั้นเสียงอะไรต้องว่าไป เวลาท่านเทศกับพระกับค า, วารวาสเองไม่ค่อยเหมือนกันพระนี่จะมาโดยทางถึงสมาธิปัญญาของพระของญาติโยมนี้โดยทางศรัทธาทางการ<ม>เพราะว่ามัจฉาเสียงเป็นหลัภาวนานก็อาจจะมีบ้างแล้โดยหลักก็จะเน้นทางด้านศรัทธาคือพยายามปลุกศรัทธาให้เห็นให้เห็นคุณเห็นประโยชน์ของการการเข้าหาพระศาสนาถ้าอย่างนั้นก็คือ สอดจอกับสิ่งที่ท่านเทศโดยไม่ต้องคําึงนึงการกําหนดลงหายใจหรือภาวนาพุทโธฟังแต่สิ่งที่ท่านเทศอย่างเดียวเวลาเราฟังเพื่อนั้ตั้งใจฟังแต่ไม่ต้องสมจิตไปหาผูพเทศธจะไปคิดว่าท่านกําลังพูดเรื่องอะไรเรียกว่าจะเป็นวิพาทวิจารเลยท่านเรานั่งฟังเสียงฟังกระแ่เสียงที่มันมาสัมผัสตักหูแล้วมันจะเข้าไปสิ่ใจแล้วมันจะทําเป็นตัวทาให้จิตเราสงบได้ ไม่ต้องไปํางวลกับการวิธีที่เราเคยทํางานมาก่อนเวลาที่เราไม่ได้ฟังเทศแล้วเนี่ยมาถึงจะต้องใช้เงินเราต้องเคยใช้ลมก็ใช้ลมใช้พุทโธก็ใช้พุทโธหรือเราจะเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจากท่านที่ท่านสอนให้เราเจริญเราลองมาพิจารณาแทนก็ได้เช่นเรื่องใองพิจารณาร่างกายก็ลองมาพิจารณาดูเช่นกําแหน่งดูผมขนและตังหนังเนื้อเอ็นกระดูกที่อะไรกระดูก หัวใจจับใจปอดอะไรอย่างเงี้ยพิจารณาตอนต้ออจจั้ถ้ายัางยังยังไม่สามารถมรรลุภาพได้ไมเป็นไงก็ทาำจำไว้ก่อนให้รู้ว่าการทัศนีิสัชน์มีอะไรเสร็จ แ, แล้วก็อาจจะกําหนดดูแต่และการไปผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเลือดเป็นอย่างไรชั้นเป็นอย่างไรเนื้เป็นอย่างไรพิจ า, ารณาแล้วตอบแล้วก็อาจจะแยๆจจะออกๆมันเป็นกองกอง เอาเอาผมด้วยกองเอล็บด้วยกองเอาหนังด้วยกองเหมือนกับเวลาเขาฆ่าวัวฆ่าควายแล้วเขาก็ทำแหลกนมาแยกว่าเป็นส่วนๆแล้วก็ดูว่าตรงไหนมีตัวมีตนนั่งผมมีตัวนั้นมีตนนี้ผมมีและอยู่ตัวมีตนนี้มันก็ไม่ใช่อาการสามสิบสองตัวตงนั้นอยู่ตรงไหนเหมือนกับเราเอาเอาอะไรมามาทำเป็นตุ๊กตา พอเป็นตุกตาก็เป็นเป็นตัวตนที่มั้งแต่ถ้ามจรงมันก็เป็นส่วนประกอบของของสิ่งต่างๆที่เราเอามาทําให้เป็นตัวตุกตาเป็นตุกตาผ้านี่แล้วก็ผ้ามามากๆๆให้เป็นแขนให้เป็นขาให้เป็นตีวกระให้เป็นร่างกายแล้ก็กลายเป็นตัวตุกตาขึ้นนะเด็กไม่รู้ก็ไปยึดติดว่าเป็นเป็นเพื่อนหนูนี่ เพระทุกตาหายไปจะล้องหงอร้องไห้ทุกตาของเราก็คือร่างกายของเราหรือร่างกายของคนที่เรารักก็เหมือนกันไม่ต้องไปเหมนเขาทุกตาก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวก่อนใช่ไหเจ้าค่ะเวลาฟังธรรมก็ฟังธรรมไปเวลาอยู่คนเดียวก็ภาวนา จะใช้พุโทโธก็ได้ใช้ลมเราจแต่บางทีพุทโธกับลมหายใจย ก, ก็าจสามารถใช้ควบคู่กันก็ได้ถ้าถ้าขนัดอย่างนั้นบางคนตํถนัดหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าเอเพราะวลาดูลมหายใจอย่างเดียวบางทีจิตมนันจะคิดเรื่องอื่นได้อยู่เพไม่ต้องการให้มีนไปคิดก้าวหนอยู่ท่านจิดแต่คำว่าพุโทโธหรือว่าไม่อยากจะดูลมเอาแต่คำว่าพุโทโธอย่างเดียวกนได้เพื่อวิธีไหนที่มันสนะดวกสบายและสงบเนี่ยเอาวิธีนั้น อย่าไปฟังเรื่องของคนอื่นจ้ะแต่ละคนนี้มีความถนัดนี่เหมือนกันถ้าเราถนัดแต่ทำเฉพาะพุทโธพุทโธไม่ดูรงอะไรก็ได้หรือบางทีเราไม่ชอบบริกรรมเราชอบดูลงทีเดียวแล้วก็ดูางอย่างเดินวก็ได้วิธีไหนก็ได้ที่ทํำให้จิตมันสงบตัวลงได้ตั้งตั้งมั่งไม่ไปคิดไม่ไปปรุงกับเรื่องอะไรเงียบเย็นสบายอย่างนั้นนะเ่อเ็เป็นเป็นเป็นวิธีที่ถูกต้องกับเรา ที่จะมน้เราเราเราตกิัวเราเนี่ยเราต้องค้นหาใชว่าอันไหนที่มันบอกกับเราหรือลองไปเลยวิธีจนกว่าเรารู้สว่าวิีนี้จะกับเราก็คงจะต้องอย่างนั้นต่ะโดยทั่วไปก็มีก็ไม่มีไม่ถึงวิธีนี่นรับถ้ามีลมหรือโทหรือการพิจารณาเดูอะไรต่างๆแต่ก็ไม่แน่นางทีปฏิบัติไปเข้าไปสั้งแต่วันหนึ่งมาอาจจะปเจออะไรที่มันเอออันนี้หละถูกกรบเราได้งลดีก็ก็ได้เหมือนกัน แต่วิธีต่างๆที่พูดมานี้มันก็สำหดทั่วๆไปมันก็พอที่จะใช้ได้แคอยากไปอย่าไปให้มันหลอกนะว่าเราต้องหาวิธีนั้นวิธีนี้เจอแล้วหาไม่เจอทั้งวันหาไม่นานเอาวิธีใดวิธีหนึ่งใช่ไหมทำให้มันเอาวิธีนี้แหละถูกกับเราแล้วแ่ะเอามันไปเลยขอให้เอาขอให้เอาจริงเอาจริงว่ามันจะจะเจะสาคัญกว่า คนที่ไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ส่วน่งเพราะเราทวามไม่เอาออจริงเอาจังกัควมไม่เป็นไรล ก, ก่อนแเราก่นนอนนะเราก่อนนะมีอะไรหรือปล่ามกลากรับตางเป็นอะไเนอะไรเปนอยที่เราดีตวนี้นก็ เอาไมเป็าไรคเดี๋ยวตากตากเป็นแรงด้วยกนใช่ที่ลูกชายหลังใครจ้กงแตหน้าไม่ได้ตัวเรานียที่มีเียาอยู่เปนิตเดียร์ใช่ไม่่องิใอเคจเรียนั้วจองนะไปหา เอาถลาพวกนีอะมีนี็ลากได้หลายคนจะได้เอาก่นไงได้อะไรอเนี่มันเห้ต้องกากนเมื่อกี้มเอ ผ่ารจะจะ่างกายได้จะนะั้เวลานั่งอก็ไม่เป็นไรหรอกพเป็นของที่ของกลางอยู่แล้วใครจะทำอะไรก็บมันก็นไร สองเลยก็บบไม่ได้ที่สองที่ที่ที่ที่แม่คุณเป็นคนทำี่นี่ที่นี่รูปนี้เอามาค่ะพีนี่คนทำเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตุนที่หลังก็ได้ไม่ได้ทำเทปมาแล้วนะรู้ไหมว่าจะรวมอัี้จะได้ปี่จะได้ว่าการนี้อาจจะทา ทำครบแผนนะมึงถ้ารวมรวมกันไม่ได้คงจะครบแผน ก็วันเกิดลูกชายเปคนจ้างดาเอาแันมาไวไตรงนี้ได้ได้ไวไวเลยนะแล้วพวกใารพวก พวกชาพวกชามีของแข็ของที่ดีจะแข็งแล้วเนี่ยดีจังนะค่กเราคนเดียวต่าัดูทายเลยยาก เดินกัทเกันฮ่านีบบตัวนี้แนีนี้แับบตัี้แ้แบนี้แับวนี้ันีันวันนี้แี้แบบตัวี้วนันี้แบี้วนันี้แบี้วนันี้แบบตัวนับบตี้นี้วนีันี้ับ มันจะได้ไว้ที่กุฏิจะไว้ที่ไหนก็ได้ก็จเาาลงเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งออกไปข้างบนาไปข้ง่หมุงใส่ถุ่าที่เรียวไปมาที่เรียวแปมที่กุฏอันนี้ถุงใส่ถุงใส่ถว่ได้ใส่อะไรเนี่ยเป็นผมเป็นนผเป็นเหมือนหอน ที่น right, ี่มันไม่ได้ดูแลรักใเรักษาไม่้ทวันนี่เรบไม่มีที่เก็บมาเก็บวัสดุไหนแล้วมันก็ทิ้งเข้ามาดี ขยะพวกเหลือที yeah, ่ไว้ที่บุติช่วยนออ่ที่ที่เหลือเนี่ยา้ทีุ่ติกหมไม่ใช่ชายไปชายไปายีเหรอไต้องใสยเมี่ทีุ่ติ ไมไอ้ยแกนี้ไปคติเสร็จแล้วคุณแม่แก้วข้ายนะแม่สเ่มีที่ไหนไม่าช่มคว้อันนี้สบายันแล้วอยูคืนค่าายของคุณแม่แก้วทอบมากคชอบ ตอนที่เป็นยากมากก็ต้องตามเรียองเดินมาอ่านมาเขาไม่เข้าใจตอนที่คุณเป็กสังกัลลาหถามแล้วท่านอธิบายวันนี้ท่านลงใครอยากจะไปดูวันนี้ท่นจะพาเราไปดู คขี้ขึ้นคนขีูไดแก้วของคุณแก้วด้วยที่นี่ตามท่านใดตามท่านอย่าพาไปดือรเดินไปหรือเปล่าใกล้ๆกับที่เราพักอยู่อันนี้ไปไว้ที่พี่ชาคนไป ยาจะมาตามฤทธเรขับไปเกาแ้นที่นี่เลยคุณพอเกลี่ยแล้วแล้วอตาแเทียมที่นี่นอเทียง หมอนิงลงไปด้วยอนกันเดี๋ยวเอาใส่ทังหล้วกับเอยู่ค่ะเดี๋ยวใส่ด้วยไหวมีหมอนฝากข้าไปด้วยไหมของเหลวด้วยเนี่ยเรียวบอกว่าให้ใส่ยามเลยไม่ตป็งปากไว้จะได้คำนเาว้อ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยเ่เน่เจนได้ นีกันแค่ไปอยู่ตนเขาไปตัวงูิ่งได้แลยใอรทนอนกำที่โผ่ขนาวเรเจองูวันนี้วันวไหนเป็นวัอาจารย์กว่าวค้างศรัทธาเช้าที่สีย ก็กพักเห็นน้าท่านอาจารย์นอนต้มเขาลงจากเตียงแบบไม่พันก็ดีมีมีคนปล่อยตื่นเตือนอะไรก็ได้ที่มันกระตุ้นให้เราทำควาเพียรถือว่าดีเลยหรือบางทีเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะตายนั่นชีวิตเราไม่แน่นอนมามัวหาความสุขกับการนอนทำไม คืออะไรก็ได้ที่มันช่วยกระตุ้นให้เราได้ทำความเปลี่ยนได้ทำความดีทำได้อวันดี๋รวทำไมนี่เรน่อไม่พรไงแ่ละพอไน่เลิกไปแล้วให้เป็นหน่ พรก็คือการกระทำนี่แหละที่เรามาทำนี่ก็คือว่าเป็นพรในตัวอยู่แล้วจะให้ตอนนี้มันก็ไม่ดีเดี๋ยวคนรวยก็จะมาพรอยู่ที่ตัวเราเราทำความดีความเจริญมันก็ตามมา นี่เป็นน้องของคุณจิตชนะเลยค่ะเจ้าไม่เคยเจอคุณจิตนะนะเพราะว่าคุณหญ่คุณกิตนะเขาไม่เคยมาเข้ามาก็จะเจอแต่ผู้ใหญ่พระสังราชอะไรหรือคุณคุณโยมห้องกระจกเพราะเขาเป็นคนทํางานเราตอนนั้นก็เป็นเพียงแต่พระมาใหม่ก็อยู่อาศัยอยู่จะรู้จักแต่พวกเด็กๆน้องอย่าพวกบ้านนี้ข้บ้านท้าวตองคนติดออมใกล้ๆกัน ว่าหลังจะชวนเขามาอะไรพอไม่ไม่เป็นไรแหละพ่อไม่รู้จักกันไม่เคยไม่เคยรู้จักกันพอไม่รู้จักเราหรอกก็เคยไปเล่าให้เขาฟังเขาก็แบบเขาไม่เคยรู้จักแต่ว่รู้อยู่ว่ามีข่าวทีโอพ่อเขาก็ยังอาจจะไม่ได้เข้าถึงทำอ่ะไม่ได้ถึงปฏิบัติมันก็อาจจะเขาไปคุยเขาเขาก็เหมือนได้จากครูบาอาจารย์หลายคนแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ปฏิบัติเอ ดี่้ครับพี่